วันนี้ใครมีธุระอะไรพิเศษไนหะมยใครต้องการที่จะคุยจะถามอะไรบ้างมาจากที่ไหนกั น, กกนพัทยานี่แหละบากันกี่คนฮะสามคน สองคนแล้วแล้ ว, ลวนี่มาจากที่ไห น, นองโปะมากี่คนสามคนแล้วนี่มาจากปัทยาทางนี้มาจากที่ไหนอ่างเทพ เ, เคยมาปะ ม, <อ>มาดูที่เป็นป่าดูที่ ปฏิบัติที่ปฏิบัติต้องเงียบๆอย่างนี้อยู่กับธรรมชาติเสียงธรรมชาติรูปของธรรมชาติมันไม่มีความหมายไม่เหมือนกับเสียงของคนรูปของคนเห็นรูปคนกับเห็นรูปของต้นไม้นี่มันต่างกันความรู้สึกต่างกันได้ยินเสียงของ นกเสียงอะไรเสียงลมมันไม่มีความหมายกับใจมันไม่ได้ไป ส, สร้างความสะเทือนใจสร้างความรักสร้างความชังให้กับใจเรียกว่าเป็นสถานที่เป็นกลางเป็นที่เหมาะกับการทำใจให้เป็นกลางใจของเราตอนนี้มันไม่เป็นกลาง เป็นอคติมันจะกิ้งไปแแล้วแต่สัมผัสอะไรบางทีก็ไปทางรักบางทีก็ไปทางชังบางทีก็ไปทางกลัวบางทีก็ไปทางหลงทำให้มีความไม่สงบทำให้ใจดองดิน เวลาเจอของรักก็จะดิ้นเข้าหาเวลาเจอของชังก็จะดิ้นหนีเจอของชังก็เหมือนกับไสเดือนเจอน้าร้อนไงมันก็จะหนีใจของเราจึงไม่มีความสุขเพราะมันไม่นิ่งมันไม่สงบ ว่ามันยังละความรักความชังความกลัวความหลงไม่ได้ต่อให้ได้อะไรมามากเพียงไรรักอะไรชอบอะไรหามาได้มากเท่าไหร่มันก็เป็นความสุขเดียวๆพอได้มาแล้วสิ่งที่ได้มาก็หมดความหมายไปมีความอยากได้สิ่งใหม่ กขึ้นแทนก็มีความรู้สึกไม่อิ่มไม่พอพอเกิดความอยากแล้วมันก็รู้สึกว่ามันขาดอะไรอย่างนั้นพอไปได้มาก็รู้สึกว่าอิ่มพอเดี๋ยวเดียวแล้วความรู้สึกนี้เดี๋ยวก็หายไปแล้วความรู้สึกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะขึ้นมา มันจะมาอยู่เรื่อยๆความอยากพอใจไม่เคยได้สิ่งที่ทำให้มันพอเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้ใจของเราพอนั้นคืออะไรไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดเศร้ารู้ก็จะไม่มีใครรู้ ก็จะมีแต่การไปหาสิ่งที่รักแล้วก็หนีสิ่งที่ชังหนีสิ่งที่กลัวหลงกับสิ่งที่เป็นโทษกับใจแต่ไปคิดว่าเป็นเป็นคุณกับใจคิดว่าได้แล้วจะมีความสุขแต่เป็นความสุขที่ บังความทุกข์เอาไว้ได้ราบยศสันนเสิญมีความสุขเวลาได้ราบมาได้ยศมาได้ ส, นสรนเสิญมามีความสุขใ น, ในขณะเดียวกันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความหวงเพราะความหวงหวงราบหวงยศ หวงสรรเสริญแล้วก็หวงหวงว่าจะอยู่กับเราได้นานสักเท่าไหร่จะจากเราไปเมื่อไรเพราะว่าของต่างๆในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพากจากกันเขาไม่ไปเราก็ไปเขาไม่จากเราเราก็จากเขา เพราะร่างกายของเราก็เป็นของชั่วคราวเราให้ได้เงินทองมาร้อยล้านพันล้านก็ต้องมีเวลาที่จะต้องจากกันไปจากช้าจากเร็วก็ไม่มีใครไปกำหนดได้ก็เลยทำให้ไม่มีความมั่นใจมีความหวาดวิตกตังวล ทั้งๆ ท, ที่มีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านมีอะไรมากมายกายกลองแต่ไม่ได้ทำให้ใจมีความมั่นคงมไม่ได้มีทำให้ใจไม่มีความวิตกกังวลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไ <gaining S 1> ม่ได้เป็นสิ่งที่จะให้ใจ ม, มีความ มั่นคงนั่นเองแต่ความหลงไปคิดว่ามีแล้วจะมีความมั่นคงมีเงินเยอะๆแล้วจะมีความมั่นคงมันก็มั่นคงในทางทางปัจจัยสี่อที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคเครื่องเล่นหง ถ้ามีเงินทองก็มีความมั่นใจว่าไม่อดอยากอาดแคลนมันคงทางด้านวัตถุแต่ทางจิตใจไม่มีความมั่นคงเพราะกังวลวิตกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความมั่นคงกับเรานี้ มันก็ไม่แน่นอนวันดีคืนดีมันก็หายไปได้หมดไปได้นี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่ยังหาความสุขไม่เจอเพราะไปหาความสุขตรงที่มีความทุกข์นั่นเองไปหาความสุขกับสิ่งที่ ให้ความทุกข์กับเราสิ่งที่เราหา<ม>เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปุถับานี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันไม่อยู่กับเราไปตลอด วันดีคืนดีมันก็อาจจะไปเป็นของคนอื่นได้ของเรามีวันนี้พวกนี้อาจจะเป็นของคนอื่นไปก็ได้อย่างคู่ครองแฟนนี่วันนี้เป็นแฟนเราพรื่ง น, นี้ก็ไปเป็นแฟนของคนอื่นก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอน วเวลาเขาไปก็เราก็ไม่สบายใจเวลาเขาอยู่กับเราเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะอยู่กับเราไปได้นานเท่าไหร่นี่เป็นเพราะความหลงที่มีอยู่ในใจของพวกเราที่ไปหลงคิดว่าการมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรโสโพธิปะจะมาให้ความสุขกับเรา มันก็เป็นความสุขเชื่อขณะที่ได้สัมผัสได้รับรู้เท่านั้นเองเวลาได้อะไรมาก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปมีแต่ความกังวลตามมาความกังวลความไม่มั่นใจความวิตกความหวาดกลัวเพราะใจเราไม่เป็นกลาง ถ้าใจเราเป็นกลางแล้วใจเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรนี่คือสิ่งที่พวกเรามีกันเรามีของวิเศษยิ่งกว่าของต่างๆที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้ใจของเราเนี่ยเป็นของที่วิเศษที่สุดเป็นของที่ไม่มีวันไม่มีวันตายไม่มีวันเสือ่อม ไม่มีวันสิน้นของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่อคราวเพราะมันเป็นส่วนประกอบของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจับต้องอยู่นี้มาเป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ก็มีดินมีน้ำมีลมมีไฟจึงทําให้มีร่างกายนี้ได้ ของวัตถุต่างๆของแข็งก็เรียกว่าเป็นธาตุดินผสมกับธาตุบางส่วนไม่ดินไม่ร้อยเอร์ซนถ้าดินร้อยซน์มันก็จะเป็นดินไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันเป็นส่วนที่ผสมกับอย่างอื่นอย่างอืนก็ต้องแยกกันของต่างๆที่มีอยู่นี้มันเป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟ แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแยกกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปมีใจของเรานั้นที่ไม่มีส่วนประกอบใจนี้เป็นของอันเดียว e ตัวเดียวอันเดียวไม่ได้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเป็นเป็นตัวรู้หรือเป็นธาตรู้ ถ้าดินก็เป็นดินดินก็ดินก็ดินล้วนล้วนน้ำก็น้ำล้วนล้วนไฟก็ไฟล้วนลวน้นดินน้ำลมไฟนี่เขาเป็นของนวนลวน้นแต่พอมาประกอบกันก็กลายเป็นสิ่งของต่างๆเครื่องใช้ไหมสอยต่างๆนี้ต้องมีการเอาดินเอาน้ำอารมณ์เอาไฟมาผสมกัน การผลิตสินค้าอะไรต่างๆนี้ต้องใช้ลมใช้ไฟเหล็กที่เราได้มานี้ก็ต้องมีการหลอมด้วยไฟแล้วก็เอามาทำให้เป็นรูปร่างอะไรต่างๆมีลมมีอะไรผสมกันไปมันเป็นของละเอียดที่เรามองไม่เห็นกันอย่างของ น, นี้ของอะไรที่มันมีวันผุมันพังก็แสดงว่า มันเป็นของที่มีส่วนประกอบแล้วที่มันพังก็เพราะว่ามันแยกส่วนกันออกไปอใจของเรานี่ไม่มีการแยกส่วนใจของเรานี่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดคือเป็นตัวรู้แล้วก็มีความสามารถในความคิดในการ รับรู้ความรู้สึกต่างๆที่มาสัมผัสแล้วก็ไปหลงไหลกับสิ่งที่มารับรู้ไปเพลิดเพลินไปมีความสุขกับสิ่งที่ใจไปสัมผัสรับรูบร้ไปสัมผัสกับรู้เสียงกลิ่นรสก็เกิด ความรับรู้แล้วก็เกิดความรักความชอบเกิดความไม่ชอบไม่เกิดความชังขึ้นมาเวลาชอบอะไรได้สิ่งที่ชอบก็ดีใจเวลาชังดีใจก็ตอนที่เสียสิ่งที่ชังไปเราจงต้องคอยหาสิ่งที่ชอบแล้วคอยปัดสิ่งที่ชัง เราถึงจะมีความสุขแต่สิ่งที่เราชอบมันก็ไม่อยู่กับเราไปนานสิ่งที่เราจังปัดมันไปเท่าไหร่มันก็กลับมาหาเราอยู่เรื่อยๆต้องเจอสิ่งที่รักสิ่งที่จังสิ่งที่ทำให้เรากลัวสิ่งที่สิ่งที่เราหลงใจก็เลยวุ่นวายไปกับสิ่งเหล่านี้ พอใจไม่ได้กลับเข้าไปอยู่ที่เป็นที่ปลอดภัยของใจที่ปลอดภัยของใจก็คือที่เป็นกลางที่ไม่มีรักไม่มีจังไม่มีกลัวไม่มีหลงถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ก็เป็นเหมือนเกียร์รถยนต์เกียร์รถยนต์ก็มีทั้งเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็เกียร์ว่าง ใจก็เหมือนกันใจหาเกียร์ว่างไม่เจอมีแต่เกียร์เดินหน้ากับเกียร์ถอยหลังเวลาชอบอะไรก็เดินหน้าเขาหาเวลาชังอะไรก็ถอยหลังหนีก็ต้องคอยเปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยคอยวิ่งเข้าไปหาคอยคอยถอยหลังหนี เวลาถอยไม่ได้ก็เครียดเวลาเจอสิ่งที่ถอยไม่ได้ก็เครียดทุกข์เวลาตามสิ่งที่อยากได้ตามไม่ทันก็ทุกข์อีกไม่ได้สิ่งที่รักก็ทุกข์หรีสิ่งที่ช้าไม่พ้นก็ทุกข์แต่ถ้าเข้าเกลียวว่างเป็นใจจะสบายใจจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่รัก กับสิ่งที่ชังเพราะใจไม่ไปตามสิ่งที่รักไม่หนีสิ่งที่ชังปล่อยให้สิ่งที่รักไปปล่อยให้ที่ชังมาใจไม่เดือดร้อนถ้าอยู่ที่เกียวว่างนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะ ทำใจให้มันเข้าไปสู่ตรงเกียวว่างหาเกียวว่างของใจให้เจอถ้าเข้าเกียวว่างเป็นแล้วจะสบายไม่ต้องหนีไม่ต้องวิ่งตามใครชอบอยังไงก็เฉยชย่างยังไงก็เฉยไม่เดือดร้อนกับการมากับการไปของใคร ก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรใจนี้มันไม่ต้องมีอะไ ร, ไ ม, ม ร, ร, ะรไม่ต้องมีลากยศสารเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสแต่ใจไม่รู้ไม่รู้ก็เลยทำให้หลงหลงไปว่าต้องมีนู่นมีนี่ถึงจะมีความสุข เรามาเจอพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบว่าความสุขของพวกเรานี้อยู่ที่เกียร ว, ว่างอยู่ที่ความว่างอยู่ที่การไม่มีราบยศสรเสริญอยู่ที่การไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนยาเสพติดชนิดต่างๆเหมือนยาบ้ายาอีเหมือนกับกาแฟเหมือนกับ บุหรีเหมือนกับสุรายาเมาของพวกนี้เราไม่ต้องเสพมันเราก็อยู่ได้แต่ทำไมต้องเสพกันก็เพราะหลงคิดว่าเสพแล้วมีความสุขแล้มันสุขได้สักเท่าไหร่สุขได้ขนาที่เสพพอเวลาไม่ได้เสพแล้วอยากจะเสพก็ทุกข์ละเป็นความสุข แบบผุดผุดพลโพพออยากเสพได้เสพก็สุขพอไม่ได้เสพก็ทุกข์ก็ต้องดิน้นทุกกับการดิ้นหาสิ่งที่ต้องการจะเสพมาเสพพอใจเราไม่เป็นกลางพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขของใจอยู่ที่ความเป็นกลางนี่อยู่ที่ความ ความเป็นการก็คือความสงบใจสงบแล้วใ จ, จก็จะเป็นการใจจะไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงจะไม่เดือดร้อนกับอะไรต่างๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นใจไม่ใช่เป็นของใจร่างกายจะเป็นอะไรก็เรื่องของร่างกาย ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองจะเป็นอะไรก็เรื่องของทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองรูปเสียงกลิ่นรสจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เรื่องของใจเลยใจไปหลงไปวุ่นไปวุ่นวายกับเขาเองพอไปยึดไปติดไปเคลมว่าเป็นของของใจขึ้นมาพออะไรเป็นของใจใจก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆพอไม่อยู่ก็เสียใจ แต่ใจเป็นกลางแล้วก็ไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการราบยศสนเสริญไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องการร่างกายมีร่างกายไม่มีร่างกายไม่เป็นปัญหาร่างกายนี้คนที่ใจเป็นกลางแล้วที่จะบอกว่าร่างกายนี้เป็นพาละหนักอย่างยิ่งพาละาาเฮงปัญจขันธา ก็ต้องคอยแบกมันคอยเลี้ยงดูมันเลี้ยงมันทุกวันตั้งแต่ตื่นมาเนี่เสิ่งแรกก็ต้องล้งางอาบน้ำอาบตากล้างห้าล้างตาแปรงฟันหาน้ำหาอาหารให้มันเดิมหาเสื้อผ้าให้มันใส่หาอยู่ขายาให้มันกินเวลาไม่สบาย มีแต่ภาระก็เหมือนกับเลี้ยงลูกคนที่มีลูกกับคนที่ไม่มีลูกใครสบายกว่ากันถามคนมีลูกดูเนยเป็นภาระไหมมีเด็กมีเด็กทารกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ร้องเดี๋ยวก็ปวดฉี่เดี๋ยวก็ปวดปัดสสาวะปวดท้องเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวมันร้องพอมันอะไรไม่พอดีมันก็ร้อง เราก็ต้องคอยมารับใช้มันทำให้มันหายไม่ให้มันร้องร่างกายเป็นอย่างนี้ถ้าอยากจะดูว่าเป็นภาระไม่เป็นภาระก็ดูร่างกายของลูกด้านเราอันนี้ก็ได้ถ้าเราต้องเลี้ยงลูกซะกอ่อนนี่ดูที่เป็นยังไงร่างกายของเราก็เป็นเหมือนลูกของเราลูกของใจเราก็มีร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นลูกของเรา เราก็ต้องเลี้ยงดูมันตลอดเวลาถ้าไม่มีร่างกายก็สบายไม่ต้องหาอาหารให้มันกินไม่ต้องหาน้าให้มันดืม่มไม่ต้องหาลมให้มันหายใจไม่ต้องคอยรักษามันนี่คือใจที่เป็นกลางแล้วใจจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรมีอะไรก็เป็นภาระ มีเงินทองก็เป็นภาและต้องดูแลรักษาต้องคอยทำให้มันเพิ่มมากขึ้นต้องไปหาดอกเบี้ยหารายได้พ่อไม่ต้องการให้มันน้อยลงพ่อกลัวท่านน้อยแล้วเดี๋ยว มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเดีด๋วยวถ้าไม่หยุดให้มันน้อยด น, น้อยลงไปเดี๋ยวมันหมดนะดังนั้นเราต้องมาทําใจให้เป็นกลางให้ได้ทาให้มันเป็นกลางได้ตลอดเวลาการทาใจให้เป็นกลางนี่ก็มีสอ ง, สองระดับระดับชั่วคราวกับระดับท้าววาน ระดับชั่วคราวก็คือการเข้าไปในสมาธิเวลานั่งสมาธิใจรวมลงใจสงบใจเป็นกลางก็จะสงบเป็นกลางได้ชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาถ้าไม่คอยประครับประคองคอยป้องกัน ร, รักษาซึ่งรักษาไงก็รักษาไม่ไม่ได้เพราะช่อง มันมีตัวที่จะมาคอยทำให้ความไม่สบายความเป็นกลางนี้มันหายไปช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ให้มีสติก็ไม่เป็นสติเต็มร้อยสติที่จะประคับประคองใจให้เป็นกลางนี้มันก็เผลอได้พอเผลอปั๊บตัวที่จะมาทำลายความเป็นกลางของใจมันก็โผล่ขึ้นมาตัวรักตัวชัางตัวกลัวตัวหลงมันก็จะโผล่ขึ้นมา อโผลขึ้นมามันก็จะทำให้ใจวุ่นนะพอรักอะไรก็วุ่นนะพอชังอะไรก็วุ่นป่วอะไรก็วุ่นหลงอะไรก็วุ่นตัวที่จะทำให้มันไม่วุ่นก็คือตัวปัญญาตัวปัญญาจะสอนให้ว่าอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าจะไปกลัวอย่าไปหลงเพราะสิ่งที่รักไม่ได้ทำให้เราใจมีความสุข สิ่งที่ชังก็ไม่ได้ทําให้ใจทุกสิ่งที่กลัวก็ไม่สามารถทําลายใจได้สิ่งที่หลงก็ไม่สามารถทําอะไรใจได้ใจต้องมีปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วยนี้ไม่ได้เป็นของใจไม่ต้องไปรักษามัน ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปห่วงมันอะไรจะไปให้มันไปอะไรจะมาให้มันมามันไม่มีอะไรมาทําลายใจได้ต่อให้มีระเบิดนิวเคลียร์ลงมาก็ทําลายใจไม่ได้นี่อะไรนิดอะไรหน่อยก็วุ่นไปหน่อดดอกเบีย้ยขึ้นดอกเบีย้ยลงก็วุนว่นตลาดหุ้นขึ้น ลงก็วุ่นอะไรไม่รู้อะไรวุ่นไปหมดเวลาขึ้นก็รีบช้อนกันตักกันซื้อกันแย่งกันพอลก็เทกันขายกันวุ่นกันไปตลอดเวลาแล้วมันเป็นยังไงมันก็เหมือนเดิมได้มาเท่าไหร่มันก็วุ่นเหมือนเดิม เดียไปเท่าไหร่มันก็วุ่นเหมือนเดิมถ้ามีปัญญาก็สอนว่าไม่ต้องไปดูแลรักษามันถ้ารักษาก็รักษาไปตามตามสภาพรักษาได้ก็รักษาไปดูแลได้ก็ดูแลไปมันจะไปก็ไป พ่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ใจต้องต้องอาศัยต้องพึ่งพาไม่มีก็ไม่ไม่เดือดร้อนมีก็ไม่ได้ทำให้ใจวิเศษไปกว่าเดิมนี่คือปัญญาที่จะสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถ้าใจไปเกี่ยวข้องด้วยนะจะทำให้ใจนี้อ่ วุ่นวายไม่สง บ, บเป็นทุกข์ถ้าไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากแล้วก็จะไม่เดือดร้อนอยาไปอยากให้เขาอยู่หรืออยากไปอยากให้เขาไปใจเรามักจะมีสองอย่างนี้ไม่เข้าเกียร์หน้าเรเขา้าเข้าเกียร์ถอยหลังอยากให้เขาอยู่ก็ทุกข์อยากให้เขาไปก็ทุกข์ ถ้าเข้าเกี่ย ว, ว่างก็เฉยๆอยู่ก็ได้ไปก็ได้ถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้าไปยุ่งกับเขาเนี่ยอย่าไปยุ่งปล่อยวางมันไปเพราะไม่มีอะไรที่เราจะรักษาได้รักษาได้ก็ในระดับหนึ่งในเวลาหนึ่งร่างกายนี้เราก็รักษาไปได้ ในระดับหนึ่งเดี๋ยวถึงเวลาก็ไม่มีใครรักษาได้หมอวิเศษขนาดไหนก็รักษาไม่ได้เพนพอร่างกายไปทุกอย่างก็ไปตามไปหมดเงินทองกี่ร้อยล้านพันล้านก็ไปหมดยศสูงขนาดไหนก็ไปหมดสรรเสริญก็ไปหมดรูปเสียงกลิ่นรสก็ไปหมด แต่ถ้าเราไม่ไปวุ่นกับสิ่งไม่ต้องไปยึดกับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจเราเป็นกลางถ้าใจเรามีความสงบแล้วเราจะมีความสุขที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้ความสุขจากราบยศสะละเสริญ ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสความสุขจากร่างกายนี้สู้ความสุขที่เกิดจากความเป็นกลางของใจไม่ได้ความเป็นกลางคือความสงบของใจใจจะสงบได้นี้ต้องไปอยู่ที่ที่มันเป็นกลางที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันเป็นกลางมันจะได้ไม่มาทําให้ใจเกิด ความไม่เป็นกลางขึ้นมาถ้าไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสมันไม่เป็นกลางมันก็จะดึงใจให้เดินหน้าถอยหลังพอไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบก็จะดึงดึงเข้าหาพอไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ชอบก็จะดันให้ใจหนีใจอยู่เฉยๆไม่ได้ ถ้าอยู่เฉยไม่ได้ก็จะไม่มีความสุขต้องอยู่เฉยๆเท่านั้นต้องเป็นกลางเท่านั้นต้องสักแต่ว่ารู้เท่านั้นถึงจะมีความสุขถึงจะมีความสบายวิธีที่จะทําให้ใจเป็นกลางขั้นต้นก็ต้องไปหาที่เป็นกลางที่เราเรียกว่าไปปลีกวิเวก ไ ป, ปเกวิเไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นกลางเนี่ยแถวนี้รูปเสียงกลิ่นรสป็นกลางอะไรเห็นด้วยตา ก, ก็เฉยเฉยไม่รู้สึกเสียงได้ยินก็เฉยเฉยกลิ่นก็เฉยเฉยกลิ่นก็เป็นกลางรถก็มีแต่น้ําเปล่าไม่มีกาแฟไม่มีน้ําตาลไม่มีขนมมีอะไร เอาของที่เป็นกลางแล้วเวลาจะทาใจให้สงบมันง่ายถ้าไปอยู่ใกล้กับของที่ไม่เป็นกลางมันมันพยายามจะเดินให้ออกไปจากความเป็นกลางมันก็จะเหนื่อ ย, ยที่เรียกว่า น, นิวรคือการมัฉันทะนความติดในรูปเสียงกลิ่นวความชอบ ก็จมัวหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสใจก็จะไม่เข้าเป็นกลางได้ต้องไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีกาแฟไม่มีขนมไม่มีอะไรให้ดื่มรับประทานไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังของพวกนี้ต้องตัดไปถ้าอยากจะทําให้ใจเป็นกลาง ถ้าไม่มีอะไรที่ทำให้ใจรักช่างแล้วมันก็จะง่ายต่อการทำใจให้สงบ <c oughs> ก็ตัดปัญหาไปห้าทางทางตาหูจมูกลิ้นกายไปตัวที่จะมาดึงใจให้ออกจากความเป็นกลางก็ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่เป็นกลางมันก็จะไม่มีอิทธิพลต่อใจมันจะไม่ดึงให้ใจไปทางรักไปทางช่าง ไปทากลัวไปทางหลงเราก็จะทำให้การทำใจให้เป็นกลางนี่มันง่ายก็เหลือตัวเดียวเท่านั้นที่ยังทำให้ใจไม่เป็นกลาง<ม>ก็คือตัวความคิดเนี่ยยังคิดอยู่ยังไปอดีตยังไปอนาคตใจจะเป็นกลางใจต้องอยู่ปัจจุบันถ้าไปอดีมันก็มันก็ไม่นิ่งไปอนาคตมันก็ไม่นิ่ง มันก็เกิดความความรักความชังขึ้นมาได้คิดถึงอดีตที่ขมขื่นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้คิดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ดอย่าไปคิดต้องหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้แล้วใจก็จะสงบเข้า สู่เกลียวว่างใจก็จะเป็นกลางขึ้นมาเวลาใจสงบแล้วรักชังกลัวหลงก็จะหายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไม่ได้รู้ด้วยอารมณ์รักไม่ได้รู้ด้วยอารมณ์ชังไม่ได้รู้ด้วยอารมณ์กลัวอันนี้จะเข้าไปในตรงนี้ได้ต้องมีสติดึงเข้าไป ถ้ายังไม่มีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิทีสร้างสติก็คือให้ใจคิดอยู่กับเรื่องเดียวให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้รู้อยู่กับพุทธโธพุทธโธหรือรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าเวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกนี้จะดีถ้าอยากจะดูถ้าอยากจะคิดก็คิดพุทธโธพุทธโธไป แต่เวลาไม่ได้นั่งนี้เวลายัางไม่ได้มานั่งนีแเรากาลังต้องสร้างสติถ้าจะดูลมมันจะรู้ส็จว่ามันดูยากก็ดูร่างกายแทนดูมือดูเท้าแทนกำลังเดินก็ดูที่เท้าก็ได้กำลังทำอะไรก็ดูที่มือก็ได้กำลังอาบน้ำกำลังแปรงฟันกำลังหวีผมก็ดูการกระทำของร่างกายไป อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่าไปให้คิดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันใจก็จะอยู่ในปัจจุบันได้อยู่ปัจจุบันก็เหมือนกับอยู่กงกลางนี่อยู่ที่เกลียวว่างถ้าอยู่กับปัจจุบันมันก็จะไม่คิดอยากจะไปนู่นมานี่ แต่พอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็อยากจะไปหาเขาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะไปทํามันก็จะออกจากปัจจุบันไปดังนั้นต้องมีอะไรคอยกํากับบังคับใจให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆใช้พุทโธก็ได้ใช้การเฝ้าดูร่างกายก็ได้หรือจะคิดอยู่กับเรื่องอย่างอื่นก็ได้ ให้อาการสามสิบสองก็ได้อยู่กับอาการสามสิบสองผมกลอนเล็บฟันหนัง mm hmm. เนื้อเ็กระดูก mm hmm. ก็ท่องไปเรื่อย mm hmm. ๆอย่าให้มันไปคิดถึงลูกคิดถึงสามีคิดถึงงานคิดถึงเงินทองออกคิดแล้วมันมันมันวุ่นแนะเดี๋ยวมันมีเรื่องให้ทํำนะ mm hmm. แล้วมันก็จะไม่สงบ mm hmm. แต่ถ้าคิดอยู่กับเรื่อง เหล่านี้คิดอยู่กับพุทโธคิดอยู่กับผมกนเลือกฟันคิดอยู่กับหนึ่งสองสามใบก็ได้นับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆโดยสัญญานับไปได้ถึงหมื่นถื้ไหมลองนับถึงหมื่นได้แล้วมานั่งสมาธิใจจะสงบบก่อนจะนั่งสมาธินับหนึ่งถึงหมื่นให้ได้ก่อนอย่าให้มันขาดตอนอย่าให้มันไปคิดเรื่องอื่น ถ้ามันอยู่อาการนับได้เดี๋ยวเวลามานั่งก็นับต่อก็ได้เดี๋ยวพอนั่งเฉยๆนับต่อแล้วเดี๋ยวมันก็สงบมันก็นื่งก็หยุดนับได้เราก็จะได้พบกับความเป็นการของใจพบกับความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่ความสงบของใจแล้วพอได้ความสงบแล้วท่านต่อไปก็ต้องรักษาใหม่ มัอนได้เงินมาแล้วเราก็ต้องรักษามันวิธีรักษามันก็คือต้องคอยกําจัดตัวที่จะมาทําลายความสงบตัวที่จะมาทําลายความสงบก็คือความอยากต่างๆความรักความชังความกลัวความหลงก็ต้องใช้ปัญญาว่าไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าชัางเป็นของปลอมทั้งนั้นเป็นของหลอกทั้งนั้น ได้มาเดียวเดียวเดี๋ยวก็เบื่อแล้วรักอะไรขนาดไหนพอเจอซ้ำหน้าซ้ำตาบ่อยๆก็เบื่อแล้วอยากรักหรือว่ากลายเป็นชังไปแล้วก็สิ่งที่เรามันก็ไม่ได้มาทำให้ใจเรามีความสุขมากขึ้นแต่มันจะมาทำลายความสุขที่ได้เพราะใจจะไม่อยู่เป็นกลาง องมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นทุกข์อย่าไปรักมันรักแล้วเดี๋ยวจะทุกข์ชังก็จะทุกข์กลัวก็จะทุกข์มันเป็นภาพหลอนภาพหลอกมันทำลายใจไม่ได้มันให้ความสุขกับใจไม่ได้แต่ใจไปกลัวมันเองไปรักมันเองไปชังมันเองไม่มีอะไรมาทำลายใจได้ไม่มีอะไรมาทำให้ใจสุขได้ ไม่มีอะไรมาทำให้ใจทุกข์ได้นอกจากความอยากของใจเองพอมีความอยากแล้วก็จะทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจวุ่นถ้าไม่มีความอยากก็จะทำให้ใจสงบใจมีความสุขเอ็งถ้าอยากจะให้ใจมีความสงบมีความสุขก็ต้องตัดความอยากเวลาอยากดื่มกาแฟาก็ไม่ดื่มไม่ดื่มจำเป็นไม่ต้องดื่มไหม ถ้าทำอะไรเพื่อร่างกายถ้ายัางต้องดูแลรักษาร่างกายอยู่ก็ทำไปแต่อย่าไปทำตามความอยากทำตามความอยากแล้วมันไม่พอมันมีขอบมีเขตทำให้กับร่างกายมันยังมีขอบมีเขตร่างกายนี้อาหารนี่มันกินวันละมื้อก็พอแล้วเครื่องดื่มก็ให้น้ำเปล่ามันต้องการน้ำไ้น้ำเปล่าไไม่ต้องให้โรดไม่ทาให้สีให้กลิ่น มันเป็นเรื่องของความอยากที่จะมาทำลายความสงบความเป็นกลางของใจต้องตัดมันไปนี่คือการใช้ปัญญาต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโทษกับใจเพราะจะทำให้ใจทุกไม่ได้ทำให้ใจสุขทำให้ใจวุ่นทำให้ใจไม่สบายถ้าไปยุ่งกับอะไรแล้วมันต้องวุ่นไปเรื่อยๆ พอไปติดอะไรแล้วก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่มีก็ทุกข์เวลามีก็ทุกข์เพราะกังวลว่ามันจะไม่มีต่อไปเอ็งจะไม่ต้องมีอะไรความสุขที่แท้จริงของใจคือความว่างความไม่มีอะไรถ้าไม่มีรากยศสรรเสริญไม่มีลูกเสียง ก, กลิ่นรสไม่มีร่างกายแล้วใจก็จะสบาย มีก็เหมือนกับไม่มีคือไม่ไปสนใจได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจนี่คือปัญญาต้องเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นทุกข์เพราะมันมาแล้วเดียวมันก็ต้องไปมันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันไม่ได้เป็นของเราของที่เป็นของเรามีอย่างเดียวคือความสงบความเป็นกลางเนี่ยอันนี้เป็นของเรา เป็นของที่เราต้องคอยรักษาด้วยสติด้วยปัญญาเบื้องต้นก็ใช้สติสร้างมันขึ้นมาหยุดความวุ่นวายหยุดความความไม่สงบทำให้ใจสงบพอใจสงบแล้วก็คอยกำจัดตัวที่จะมาทำลายความสงบก็คือความอยากต่างๆอยากได้อะไรไม่เอาอยากได้นู่นอยากไม่ไม่เอาอ ออมาแล้วเป็นทุกข์ออมาแล้วก็เป็นภาระพอได้เงินมาแล้วจะทำไงต้องไปลงไปธนาคารล้วสิต้องไปหาที่ฝากก็ได้ก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเดี๋ยวเวลาหายไปหมดไปก็เสียใจฉะนั้นอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไร อยากไปอยากเป็นอะไรเพราะมันจะทําให้ใจเราวุ่นไม่ได้ทําให้ใจเป็นกลางไม่ได้ทําให้ใจสงบถ้าอยากจะมีความสุขก็ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่ยั่วยวนกวนใจไม่มีลาบยศสรรเสริญแล้วก็ใช้สติหยุดความคิดให้ได้ใจก็จะสงบ พอออกจากความสงบมาก็ใช้ปัญญาหยุดความอยากพอทําได้แล้วต่อไปความอยากก็หมดไปพอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทําลายความสงบใจก็จะสงบไปตลอดเป็นกลางไปตลอดมีความสุขไปตลอดโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่มีเพราะมีก็ไม่ได้แปลมีมันก็ไม่เดือดร้อนแค่นั่งกายนี้ ใจเป็นกลางใจมีความสงบแล้วใจไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายหาอะไรมาให้ความสุขกับใจอยู่เฉยเฉยได้ไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนนี่คือสถานที่ที่เรามาสร้างความเป็นกลางให้กับใจพระพุทธเจ้าจึงต้องออกจากวังเพื่อไปอยู่ในป่าเพราะเป็นที่ที่มันเป็นกลางทำให้ใจสงบ จาให้ใจเป็นกลางได้ง่ายแต่ตอนตอน้ต น, ตนที่ไปนั้นไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่จะมาทำลายความสงบความเป็นกลางนี้คือความอยากพรองต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูเองแล้ในที่สุดก็พบความจริงว่าตัวที่มาทำลายความสงบตัวที่ทาให้ใจวุ่นก็คือความอยากแล้วตัวที่ทำให้ความอยากหายไปก็คือปัญญา ตัวที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราจะทำให้ใจไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรพอไม่มีความอยากแล้วก็ใจก็จะเป็นกลางไปตลอดความเป็นกลางของใจนี่เรียกว่านิา้พานคาว่านิ้พานนี่ไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่อะไรเร้วก็ภาวะของใจที่เป็นกลางตลอดเวลา ภาของใจที่ไม่มีตัวที่จะมาทําลายความเป็นกลางอันนี้ได้คือไม่มีตัญหาความอยากไม่มีโลกกดหลงอยู่ในใจที่จะมาคอยทําลายความเป็นกลางของใจใจก็เลยไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปร่างกาย น, นี้ตายไปแล้วก็ไม่ต้องมาหาร่างกายอันใหม่เพราะมันเป็นภาชะไม่ต้องการจะแบกบเหมือนคนมีลูก ต่อไปพอพอมีลูกครับคนสองคนก็ไม่เอาแล้วะไม่อยากจะได้ลูกนะมีแต่ภาระ้ไม่เห็นมีอะไรดีเลยร่างการนี้เป็นภาระของใจที่เป็นกลางของใจที่ยังไม่เป็นกลางนี้มันเป็นคนรับใช้เลยต้องเลี้ยงมันเพราะต้องอาศัยมันยังต้องอาศัยมันดื่มกาแฟยังต้องอาศัยมันดูภาพยนตร์ยังต้องอาศัยมันไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ ถึงแม้ว่าจะเป็นภาระก็ยินดียินดีที่จะรับภาระเพราะได้ผลตอบแทนคือได้ไปเที่ยวได้ไปกินได้ไปดื่มแต่มันก็เป็นความสุขแบบยาเสพติดนั่นะเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเวลาที่อยากก็ไม่ได้ทำตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ดังนั้นขอให้เรามาทาตามที่พระเจ้าได้กระทำนะไปหาที่เป็นกลางทำใจให้เป็นกลางแล้วก็ใช้ปัญญาคอยทำลายตัวที่จะมาทำให้ใจออกจากความเป็นกลางตัวที่จะทำให้ใจมีความอยากก็คือความหลงไปหลงไปคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีได้แล้วมาจะมีความสุขอันานั้นหลงนะ ดื่มกาแฟแล้วมีความสุขกินขนมแล้วมีความสุขดูภาพประโน์แล้วมีความสุขมันก็เหมือนเหมือนกับคนติดยาเสพติดดีๆนี่พอไม่มีเดืม่มไม่มีรับประทานก็ทุกข์ละสิไม่เห็นความทุกข์กันต้องเห็นความทุกข์เพราะว่าจะไม่จต้องมีวันหนึ่งที่จะได้จะไม่ได้ทาตามที่ใจอยากทำได้พอเวลาที่ทา อยากแล้วไม่ได้ทําเวลานั้นก็จะเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาใครมีอะไรอยากจะถามก็ถามได้นะไม่มีเดี๋ยวจะให้ผู้ติดตามทางบ้านที่รับการชมถ่ายทอดสดอยู่ขณะนี้ได้ส่งคำถามเข้ามา ทาง youtube ก็พอรับคําถามได้ครับพ่อเจ้าได้เลยถ้าเกิดว่าจะพิมพ์มาก็พรอ่านได้ครับพ่บอจนเดี๋ยใช้เทคนิคถ่ายร<น>ูปไว้คนที่ดูดู y ยูทูบก็น้องส่งข้อความมาก็ได้มกักจะมีคําถามอะไรคนที่ไม่มามากักจะถามมันเยอะเพราะไม่เห็นหน้าเห็นตากันรู้บ่าไม่รู้นะไม่กล้าถามเพราะเห็นหน้าเห็นตากันแล้วกลัวจะถูกกัดยังไงไม่กล้าถาม เพราะว่าบางไปเรียนนั่งสมาธิมาบางบางท่านก็บอกว่าต้องนั่งหลายๆชั่วโมงจะดีแต่ว่าบางท่านบางบางที่ก็บอกว่านั่งนม่น้อยแต่ว่านั่งนานนานเลยน้อยน้อยหลายๆครั้งดีกว่าคือเลยไม่แน่ใจว่าปฏิบัติอย่างไหนจะูต้องคะก็มันอยู่ที่กําลังของเราแหละ ือเป้าหมายก็คือต้องการให้มันสงบให้มากที่สุดเท่าที่สมาร์ได้ถ้านั่งนานๆได้มันก็จะสงบได้มากถ้านั่งไม่น้อยมันก็สงบทีละนิดเทียวหน่อยมันก็กำลังต่างกันถ้านั่งได้นานนี้แสดงว่ามีกำลังมากความสงบมีมากถ้านั่งได้สั้นๆก็แสดงว่ากำลังของสติเรามีน้อยก็ได้ทีละนิดเหมือนตักน้า ถ้าภาชนะที่เราใช้ตักน้ำถ้ามันเป็นถ้วยมันก็ตักได้ทีละถ้วยถ้ามันเป็นขันมันก็ตักได้ทีละขันมันก็อยู่ที่ภาชนะของเราคือสติของเราถ้าสติเรามันน้อยมันก็มันก็ได้น้อยถ้าสติเรามากมันก็ได้มากถ้าเราต้องการมากเราก็ต้องหมั่นเจริญสติสตินี้เป็นอุปกรณ์สาคัญในการสร้างความสงบให้กับใจ ยังแต่ละสำนักเขาก็พูดไปตามกำลังของเขาทำลักที่มีสติน้อยเขาก็บอกเอาทีน้อยๆว่าก็ทําได้แค่นั้นทำนักที่เขามีสติมากเ้าก็นั่งให้นักงาน2ชั่วโมง3ามชั่วโมงถ้าเป็นปฏิบัติกับครูบาอาจารย์สติท่านมากวัดพอาจารย์จันเรียนได้นั่งทีละสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเพราะตัวอาจารย์ท่านมีสติท่านก็เลยสามารถดึงจิต หนึ่งลูกศิษย์ไปด้วยถ้ามีผู้นำคนนั่งก็ต้องนั่งตามหรือถ้าไปอยู่สํานักที่อาจารย์เขามีสติน้อยเขาก็บอกนั่ ง, งน้อยๆก็ถูกทั้งนั้นอะถูกตามกําลังของผู้สอนผู้สอนมีกําลังน้อยก็สอนทําน้อยๆเพราะผู้สอนทําทํามากก็ทําไม่ได้เปิสอนให้คนอื่นทํามากตัวเองทําเองไม่ได้มันก็มันก็สอนเขาไม่ได้ นี่หมาความว่คือมันก็คล้องกับเรามาไปนั่งคนเดียวที่บ้านก็นั่งได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเวลานั่งกับอาจารย์นี่ก็จะนั่งได้ยาวขึ้นก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะวนน่าเราไม่มีคนคุมเราก็จะถลายถลเหมือนเด็กถ้าไม่มีคนคอยคุมก็เดี๋ยวพอคนคุมเผล อ, อก็ไปแล้วไปทําอย่างอื่นแทนแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกินกาแฟาก็ลุกขึ้นไ ป, ไปหากาแฟาดืม่ม ถ้าไปนั่งกับครูอาจารย์ท่านยังนั่งอยู่เราก็ต้องนั่งต่อถ้าเรารุก็แสดงว่าเราไม่ไปทำตามท่านท่านก็บอกให้เรากลับบ้านดีกว่าเวลาไปอยู่ที่สำนักที่เขามีการปฏิบัติมันก็ดีอะ่ะบางทีเราต้องอาศัยคนที่เขามีกำลังมากกว่าดึงเราเราเองไม่มีกำลังที่จะดึงตัวเราเอง ไม่มีกําลังที่จะบังคับตัวเราเองให้นั่งนานได้แต่พอเราไปอยู่ที่สา น, นักที่เขามีการปฏิบัตินั่งนา น, น, านๆก็เราก็ถูกบังคับไปในตัวอย่างเวล า, ย, าย่าวยูมาฟังเทศน์ที่นีน่บางทีก็เทศเ ก, เกือบชั่วโมงก็นั่งได้นั่งฟังไ่ได้แถ้าไปนนั่งฟังคนเดียวเดี๋ยวก็นั่งไม่ได้เดี๋ยวพอเกิดพอร์สติปัเกิดความอยากจะลุกไปทาอะไรก็ เลิกฟังแต่มานั่งตอนนี้ทุกคนก็นั่งอยู่เราไปลุกขึ้นมันก็เหมือนกับประจานตัวเราเองว่าเรานี่ไม่ได้เรื่องนะ <c oughs> <c oughs> กลัวเสียหน้าก็เลยต้องนั่งทนทนนั่งต่อไป ระหว่างที่เราเราจิตสงบแล้วเนี่ยเรามีคำปฏิกรรมไปแล้วเนี่ยเราดนทียังไงไม่รูนะ้หรือว่าหรือว่าให้จิตสงบอยู่อย่างนั้นตลอดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะออกจากสมาธิพอถึงจุด น, นี้แล้วเหมือนกันจะไม่ต้องทําอะไรละถึงเวลาที่จิตเขาจะสงบก็ปล่อยให้สงบไปตามกําลังของสติเราเดี๋ยวกําลังสติเราอ่อนลง กำลังของความอยากมันก็จะมากขึ้นมันก็จะดันเราออกมาเองที่ออกมาเพราะความอยากอยากจะออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสที่เข้าไปก็เพราะสติดึงเข้าไปกาจะดึงเข้าไปให้ลึกนื้อให้นานนี้ก็ต้องอยู่ที่กำลังของสติท่านถึงมีฌานเป็นขั้นๆขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นแปดนั่นฌานลึกที่สุดก็ขั้นแปดอรูปฌาน อันนั้นสติต้องมีกำลังมากจะมีสติมีกำลังมากก็ต้องคอยเจริญสติทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาไม่ทําอะไรเลยคอยเจริญสติงานก็น้อยงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเพราะถ้างานใช้ความคิดมันก็จะดึงใจให้ไปตามความคิดมันก็จะสงบยาก ตบุ้งว่าอย่างลูกนี่นั่งตั้งเว ล, ลาไว้ไครึ่งชั่วโมงนะเจ้าคะ mm hmm. ออพอเข้าติตสงบแล้วเนี่ยมันสงบไปทั้งครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยเราก็ปล่อยเขาไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมเจ้าคะไม่ต้องพิจารณาอย่างอื่นออตอนที่เราฝึกสมาธินี่ยังไม่ต้องพิจารณาทางปัญญา mm hmm. มันเป็นคนละภาควิชากันขั้นตอนนี้ต้องฝึกสมาธิให้ชํานาญ mm hmm. ให้เข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการ ก้าวได้อย่างง่ายได้รวดเร็วนั่งหลับตาหนาทีก็สงบแล้วแล้วก็สงบได้30นาทีคชั่วโมงหนึ่งหรือมากหรือนานกว่า น, นั้นถ้าได้สงบได้ชานาญแล้วนี้เวลาออกจากความสงบมาค่อยมาพิจารณาทางปัญญาปัญญานี้เราสามารถพิจารณาได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เราอยู่ในสมาธิ เราทำอะไรเราก็ใช้ปัญญากำกับไปกับการทำงานของเราก็ได้ทำอะไรก็พิจารณาสิ่งที่เราทำว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ใช่ไทุกข์ก็ต้องมาทำถ้าเราถ้าเราไม่มีความอยากเราก็ทิ้งมันไปมันก็ไม่ทุกข์แล้วที่เราทำงานอยู่ก็เพราะว่าเรายังหลงคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเราอยู่แต่ควาจริงไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เราไม่มีปัญญามองไม่เห็น อาว่ามาย อ, อก็สมาธิตอนเช้าจะดีดที่สุดค่ะทา่านประมาณตีสามถึงหกโมงเช้าแปลว่าจะแบง่งจิตเขาจะแบง่งแบ่งของเขาเองคือเขาจะไปเรื่อยๆก็ค่อนข้างสงบนะ แล้วเขาจะหยุดเองถ้าเผื่ย่างมีเหตุการณ์ว่าลงพัดมากแล้วตกเนี่ย <c oughs> เขาก็จะหยุดแล้วเราก็ไปปิดหน้าตา่างแล้วเราก็มาต่อเนี่ยต่อไปอีกสักพักหนึ่งจนค่อนข้างจะ ส, สงบแล้วเขาก็ขีวน้ <c oughs> แล้วก็เข้ า, าเราก็ทานน้ําแล้วเราก็ต่อมันต่อได้ค่ะเป็นอย่างนี้ไดค่ะอาจารย์คือว่าเราจะนั่งตลอดสามชั่วโมงนี้มันก็มัน ผลประโยชน์มันไม่เท่ากันเนี่ยเรายังทำไม่ได้แบบต่อไปสาวพระนมเนี่ยก็ตื่นมาเองก็ลองทําอย่างนั้นแหละทำไปก่อนตอนต้นก็สั้นๆไปแล้วเดี๋ยวมันก็ยาวขึ้นไปยาวขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีกว่าไม่ต่อพอพอออกมาแล้วก็ไปเปิดทีวีเลยอย่างเงี้ยไปถ้าไปจําเป็นอ่ะเข้าไปเข้าห้องน้ําไปเดี่ยวน้ำแต่ล้วก็กลับมาต่อ มันก็ตอนต้นมันก็ต้องอย่างนี้แหละเอาสั้นๆปฏิติประตอบไปแต่ไม่ยาวไงมันไม่ยาวพลืดไปเลยต่อไปก็ควควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอะอย่างเรื่อสีบางคนก็อยู่ที่เจ็ดวันอย่างเงี้ยเคยได้เคยได้ยินข่าวมันคือสีเข้าฌานเจ็ดวันสิบห้าวัน เราะพ่อสติเขามีกำลังมากหยุดความคิดปรุงแต่งได้แล้วจะอยู่ที่ไหนคะท่านหรือมีคนมาหลอกหรอก็เราไปเป็นฤาษีไงตอนนั้นผมที่ตอนที่บวชอยู่แม่ห้องสอนนะอาจารย์พ่อพ่อท่านก็เข้าทีเจ็ดวันไม่ฉันไม่อะไรเลยไม่ไม่ต่างอะไรเลอันนี้ก็แล้วแต่กำลังของสติ จะดีขึ้นไปใช่ไหมคะถ้าสติมีกำลังมากขึ้นมันก็จะนั่งนิ่งได้นานขึ้นสงบได้งานขึ้นแต่มันก็จะยังเป็นขั้นสมาธิยังต้องขึ้นสู่ขั้นปัญญาถ้าทำแตส่สมาธิอย่างเดียวก็เรียกว่าติดสมาธิถ้าชนานาญแล้วนะถ้าชนานาสมาธิแล้วก็จะนั่งสมาธิอย่างเดียว พอออกมาก็จะใช้สติประกอบประคองใจไม่ไปทางปัญญาเลยไม่ไปพิจารณาร่างกายไม่ไปพิจารณาทุกเรือ่องทุกอย่างว่าเป็นตายรักเลยมันก็ยังจะติดอยู่มันก็ยังติดร่างกายอยู่ติดกับสิ่งต่างๆอยู่แล้วเวลาสิ่งต่างๆเป็นอะไรไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสมาธิช่วยไม่ได้จะช่วยได้ก็ตอนที่กลับเข้าไปในสมาธิ ถ้าทุกข์ใจก็กลับก็ไปในสมาธิแต่มันก็เข้าไปเดี๋ยวออกมาก็เจอเรื่องเดิมก็ทุกข์อีกถ้าจะไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องพิจารณาถ้าเราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นยังไงมันมันไม่แก่หรือ ย, อยังไงมันไม่เจ็บหรือ ย, อยังไงมันไม่ตายหรือ ย, อยังไงเราห้ามมันได้ไหรือเปล่านอกที่เราทุกข์เพราะอะไร ทุกพอเราไม่อยากให้มันแก่ใช่ไหมทุกพอไม่อยากไม่ไม่ให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเราม่คิดละ ท, ท่านไม่ท่านไ่อนอันนี้ใช่เราพูดถึงคนที่ยังไม่ได้ฟังเนี <c oughs> ่ยคนที่ก็ยังทุกอยู <c oughs> ่ให้เขาหาสาเหตุของความทุกข์ใจของเขา <c oughs> เขาต้องค้นหาเองมันต้องไปเจอที่ตรงที่ความอยากนี่แหละความอยากมันเป็นต้นสาเหตุ ข, ของความทุกข์แต่เราจะเห็นมันหรือไม่เห็นนะ คนอื่นบอกเราไม่ได้เราจะต้องค้นหาเองถ้าวันนี้เราไม่สบายใจกับคนนั้นคนนี้เราก็ต้องค้นหาว่าเราไม่สบายใจกับคนนั้นคนนี้ใช่ไหมแล้วเราไปห้ามเขาได้ไหมเราไปสั่งเขาได้ไหมเราไปเปลี่ยนเขาได้ไหมถ้าห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เราไปอยากให้เขาเปลี่ยนทาไมหรือไปอยากให้เขาเป็นส้มเขาเป็นกล้วยอย่างนี้อยากไปจนวันตายเขาก็เป็นกล้วยอยู่ดี เป็นส้มไม่ได้แต่เราก็อยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วใครทุกข์อ่ะเวลาเกิดความอยากก็เราทุกข์พอเราไม่อยากแล้วเราจะทุกข์ไหมคนที่เราไม่อยากด้วยเราทุกข์ไหมคนที่เราไม่ทุกข์ด้วยเพราะอะไรพ่าเราไม่เลยไปอยากอะไรกับเขาใช่ไหยคุณไม่ทุกข์กับคนต้งเยอะแยะคุณทุกข์กับคนคนเดียวนล้วคนที่อยู่ ใ, ใกล้ตัวคุณนั่นแหะ <c ười> คนอื่นคุณไม่ทุกข์ด้วยหรอพ่าคุณไม่มีความอยากอะไรกับเขา แต่คนที่อยู่ใกล้ตัวคนนี้แหมอดอยากไม่ได้อยากให้ เ, เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ยังทุกขก์กับเขาอยู่เปล่าเนี่ยเมื่อกี้บอกรู้แล้วไงรู้แล้วยังทุกข์กับเขาอยู่เปล่ารู้แต่ปากแต่ใจไม่แต่ใจไม่รู้อะใจก็ยังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหม okay. <laughs> คารจกลับมาเรื่องเรื่องนั่งสมถธิคือว่ายังไม่ยังไม่ถึงอยาจะเข้าปัญญาคื อ, อยังไม่ไม่ไม่ไม่ดิ่งนะฮะ <c oughs> เป็นอุเบกาแต่นีเ้เราจะทำแ่อย่างอย่างอย่างตอนนิยมไปทำไมได้มันก็ค่อนข้างสงบนะแต่มันไม่ใช่อย่างที่ ท, ที่ควรจะเป็น ทีนี้พอเสร็จตีว่าสักสองสมทีสามชมั่วโมงนี้ยมก็ยมก็จะนั่งเรี๋จะลุกขึ้นแล้วนะนียมยมก็คิดถึงถึงอันนี้จําสูกขังนราาตาเลยนะก็คิดคิดไปเองนะคิดไปถ้าเป็นปัญญาก็ได้กลัวมันจะไม่เป็นปัญญาเดี๋ยวคิดไปคิดมามันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาก็ดีกว่าไม่คิดหาก็คิดไปคือคิดแล้วได้แตถ่ถ้าถ้าเผลอเดี๋ยวมันจะคิดแล้วฟุ้งขึ้นมา ไม่ฟุ้งค่ะคันจะกิรอจนรอจอรอจนทาปัญญาที่แบบว่ามือเท่าเด่งเป็ดูเบกขานะคะ ม, มัน ด, ดีกว่างั้นไหมเพราะว่าท่านเพราะจิตมันมีสมาธิมีกําลังมากมันการพิจารณาปัญญามันจะเป็นปัญญาถ้าถ้าจิตยังไม่มีความสงบมากมันจะกลายเป็นกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวแล้วมันจะทําให้สมาธิเราก็ ไม่เก่งปัญญาเราก็ไม่เก่งเลยได้แบบก็คิดนิดหน่อยคิดแบบก็ได้อยากจะคิดก็ได้อะก็อย่าโกะอย่าลอกตัวเองก็แล้วกันนิจังทุกขคราหน้าตาใด้สองสามนาทีก็กลายเป็นนิจังสุดขังหน้าตาไแล้วเราไม่รู้สึกตัวกลัวอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่อะไรละกิเลสมันเก่งมันฉลาดมันจะหลอกเราว่าคิดเถอะคิดคิดทางปัญญา เรคิดได้ปะเดี๋ยวห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้แล้วอันนั้นกลายเป็นกิเลสไปแล้วถ้าเกิดความห่วงเกิดความกังวลเกิดความอะไรนี่มันไม่ได้เป็นปัญญาแล้วถ้ามันเป็นปัญญามันจะนิ่งมันจะเฉยสักแต่ว่ารู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคิดย่างนั้นได้นะคิดสักอะไรได้ที่กลัวมันจะไม่ได้ท่านเลยกลัวจะตามกลัวว่ามัน กำลังสติเราไม่พอสู้กับกิเลสพอคิดกิเลสมันก็จะดึงความคิดของเราไปทางกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเองน่ะกลัวตรงนั้นน่สนนะ ส, สู้หยุดความคิดไปก่อนท ใ, ให้มันอยู่กับพุโทโธไปได้่อยๆดีกว่าอ่าให้มีสติมีกำลังมากจะดีกว่า ออกมาจากสมาธิมาก็ฟุตโธต่อไปฟุตโทไปฟัง อ, อ, อะไรนี้ต่อไปเรื่อยๆอะไนี่ก่อนอ น, นออ ะ, ะไปดีกว่าไ้มันเดินเราสามารถเข้านั่งสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการอ่าบังอาจไปเลื่อนชั้นอ <c oughs> คอืถ้าบางทีมันมีมีมีเหตุการณ์มีความทุกข์ขึ้นมาถ้าจะใช้ปัญญาระดับความทุกข์นั้นก็ใช้ไปเช่นเราทุกขกับแฟนก็พิจารณาดูว่าเราอยากให้เขาเป็นอะไรเหี่ย เราอยากให้เขาไปนูน่นแต่เราเขาไม่ไปใช่ไหมเราก็เลยทุกข์กับเขา เ, เราก็ต้องตัดความอยากเราอันนี้ก็ใช้ได้ในกรณีที่มันมีเหตุการณ์มีความทุกข์ขึ้นมาถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้พุทโธมันก็ยังทำให้หายทุกข์ได้ก็จะไม่ทุกข์กับเขาถ้าเราพุทโธพุทโธไปเราก็จะไม่มีความอยากให้เขาทอา อ, ทอย่างนู้นทาอย่างนี้ามันออกไปนะคะ ถ้าเราเพอพูดโทมว่าได่เดี๋ยวอย่างก็ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเธอช่วยทำาี่นี่ให้หน่อยสิโนไม่ทำพูดโธอ่ายทำเองอ่านั่นแหละเหตุการณ์จริงมันมันโอ้ยมันมันไวกับเราเยอะอันนี้เราพูดแต่ทางทฤษฎีก็พูดได้ปัญญามันพูดแล้วสวยหรูแต่ว่าถึงเวลาจริงๆมัน มันหาไว้เจอตัวปัญญาก็ขอบพระคุณนั้นท่านพระอาจารย์ก็ยืนยันให้แล้ว่าอย่าพยายามคิดให้หน้อยที่สุดดีกว่าคิดปัญญาให้หน้อยสุดพยายามเอาสติให้มันเจง๋งให้มันใจเป็นหนึ่งอย่างเดียวไม่คิดเรื่องอะไรให้อยู่กับพุทโธอยู่กับการทำงานของร่างกายไปแล้วเวลานั่งสตินั่งสมาธิแร้วก็นั่งปุ๊บได้ปั๊บเลย ไม่ใช่เหมือนก็ต้องแบกภูเขาและแบกแบกคกขึ้นภูเขาเข็นมันโอ้ยนั่งไปเกือบปเจตบงนไม่ถึงนั่งไปเทาไหรก็ไม่ยอมสงบสัที <c oughs> ก็ยังคิดอยู่ <c oughs> ใช่ไหมที่ไม่สงบก็เพราะมันหยุดความคิดไม่ได้ถ้ามันหยุดความคิดได้ห้านา ท, นน ท, ท, ทมีมันก็สงบแล้วพูดโทวพูดโทวพูดโท้ไปเดียวเดียวดูลมไปเดียวเดียวมันก็สงบแล้วอันนี้แหละเป็นตัวที่เราเป็น เป็นอุปสรรคเบื้องต้นก็คือความคิดของเรานะเราไม่มีเบรกเราต้องสร้างเบรกขึ้นมาเมื่อเราเบรกมันได้แล้วเราเข้าสมาธิได้ทุกเวลาแล้วนี้เราจะรู้เวลาเราพิจารณาว่าไปทางปัญญาหรือไม่พอไปทางกิเลสเราก็เบรกมันได้พอคิดไปแล้วเริ่มห่วงลูกเริ่มห่วงคนนั้นห่วงคนนี้อ่ะไม่ใช่แล้วเนะี่ยไม่ใช่ตายรักนะเริ่มเกลียดคนนั้นเริ่มโกรธคนนี้ขึ้นมานี้ไม่ใช่ตายรักแนละ้ว ถ้าตายรักมันจะไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่รักไม่ชังใครมันจะปล่อยวางเพราะมันเป็น hmm. ท uh ุกข์ทั้งนั้นไปยุ่งกับเขาทำไมอาจารย์คะเวลาเราภาวนามรณานุสติกนะคะไม่ไม่มีการคิดใช่ไหมคะแค่เป็นการบริกรรมคำว่าเราจะตายอย่างนั้นหรือเปล่าจะคะถ้าใช้คำอย่างเดียวก็เหมือนใช้พุดโทมันไม่ไม่เป็นปัญญา เป็นเพียงแต่เป็นอารมณ์ของสมถะคือเหมือนเ ล, เลขหนึ่งสองสามเนี่ยอาการสามสิบสองนี่ถ้าเราไม่ไปคิดเป็ น, นเพียงแต่ท่องชื่อมันเนี่ยมันก็เป็นเพียงแต่ เ, เ, ปเป็นการบังคับควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้มันคิดอยู่กับคำนี้คำเดียวเช่นตายตายตายตา ย, ตายไปแต่ถ้าเราเอามาพิจารณาว่าอะไรตายหอร่างกายเราตาย ลูกเราตายสามีเราตายภรรยาพ่อแม่พี่น้องเราตายอันนี้เราเร า, เราก็ดูว่าเรารับความตายได้หรือเปล่าเราจะทุกข์กับความตายหรือไม่ถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเรามีความอยากไม่ตายใช่ไหมเราก็ต้องมาแก้เหมือนอันนี้ก็เองถึงจะเป็นปัญญาปัญญามีไว้แก้ความทุกข์ใจให้เรารู้ว่าเราต้องตาย ถ้าเราตายได้อย่างสบายไม่ทุกข์กับความตายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาปัญญามีไว้สำหรับมาทำให้ใจไม่ทุกข์กับความตายเราไม่คิดถึงความตายเลยพอก็จะลืมไปก็จะคิดว่าไม่ตายพอเกิดความตายขึ้นมาก็ทาใจไม่ได้ทใจไม่ทน พรยังมีความอยากอยู่ยังไม่อยากตายเอยั้นอารมณ์บางอย่างมันเป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสนาแต่ต้องถ้าเป็นวิปัสนานี้ต้องเอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณาเพราะว่าความตายนี้มันมันตายกับได้หลายเรื่องตายกับร่างเรื่องของร่างกายของเราก็ได้เรื่องร่างกายของคนอื่นก็ได้หรือตายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ได้ มันก็เป็นความตายเหมือนกันเวลาหมดเนื้อหมดตัวมันก็เหมือนกับมันก็ตายทรัพสมบัติก็ตายจากเราไปทุกอย่างมันต้องตายหมดทรัพสมบัติเจ้าของเงินทองก็ต้องตายต้องหมดไปแต่ถ้ามันคิดอยู่กับเรื่องราวนี้จะมันจะทำให้ใจสงบได้เพราะว่ามันไม่มันมันมันไม่ ไม่มีความอยากพอรู้ว่าจะตายนี่เรายังอยากจะได้เงินอีกไหมเราไปหาหมอหมอบอกว่าเหลือแค่สามเดือนเท่านั้นยังอยากจะไปเล่นหุ้นอยู่อ่ะยังอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่รับอ่ะม่เาแล้วอยากจะหาวิธีทําใจให้สงบนะทําหาวิธีทําใจให้ไม่ทุกข์กับความตายนะพอมันทุกข์เหลือเกินพอรู้จะตายเงี้ยมันทุกข์ทรมานมากนะ ไม่มีกริกระจจะทําทอะไรแล้วบินข้างไม่ได้ไม่ลงใช่เ<ช>นี่ยเราเลือกถึงเรื่องนี้แล้วให้ดูความรู้สึกเวลาเราเลือนึกถึงเรื่องเหล่านี้แล้วถ้าเรายังมีความรู้สึกหวาดกลัวมีความทุกข์อยู่เนี่ยแสดงว่าเราต้องแก้ปัญหานี้ฮหได้วิธีแก้ปัญหาก็คือเนี่ยต้องขั้นที่หนึ่งต้องทําให้ใจสงบก่อนใจสงบแล้ว ใจก็จะรับความจริงได้ใจก็จะเห็นโทษของความอยากไม่ยอมรับความจริงก็จะหยุดฝืนความจริงยอมรับความจริงก็เฉยๆไปเท่านั้นเองปล่อยมันตายไปหยุดมันไม่ได้อยู่ดีไปอยากให้มันไม่ตายมันก็ตายอยู่ดีแต่ไปอยากให้มันไม่ตายแล้วเราทุกข์แต่ถ้าเราไม่อยากก็ปล่อยมันไปมันตายก็ตายไปสิ ทำไมเวลาคนอื่นตายทำไมเราไม่ทุกข์อ่ะเพราะเราปล่อยให้เขาตายได้ใช่ไหมแต่เพราะร่างกายของเราทำไมเราปล่อยไม่ได้ร่างกายเขากับร่างกายเรามันต่างกันตรงไหนมันก็ต้องตายเหมือนกันเพราะเราไม่ยอมปล่อยร่างกายของเราเราปล่อยร่างกายของคนอื่นของฉันอยู่อ่าฮกายนี้คือของฉันอะไม่ปล่อยเพรานต้องนั่งสมาธิแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา เวลาใจสงบร่างกายหายไปเอ้เราอยู่คนเดียวได้ตอนนี้เราไม่ได้ใช้ร่างกายเราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขได้เราก็ต้องอยู่แบบนี้เวลาร่างกายตายเวลาร่างกายจะจากเราไปเราก็อยู่แบบนี้เราก็อยู่เฉยเฉยไปอย่าไปอยากให้มันไม่ตายอย่าไปอยากให้มันจากเราไปเราก็อยู่เฉยเฉยไปพุทโธพุทโธไปเวลาจะตายก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไป เมื่อตอนนี้คนกำลังตายอยู่ตั้งเยอะแยะเราไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยมีคนตายทุกวินาทีในโลกนี้แต่เราไม่รู้สึกอะไรเพราะเราปล่อยเขาไงเขาจะตายก็เรื่องของเขาไอ้ร่างกายนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นมันจะตายก็เรื่องของมันมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นตัวรู้ผู้รู้ก็อยู่กับผู้รู้ไปเฉยๆไป ผู้รู้ไม่ยอมรู้เฉยๆเพราะมีกิเลสมาคอยดึงผู้รู้ให้ไปอยากกับร่างกายในทุกข์กับร่างกายไปก็ต้องสอนใจเตือนใจเดี๋ยวลืมถ้าไม่สอนใจเตือนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายต้องตายเดี๋ยวมันก็จะคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็คิดว่าจะอยู่ไปได้เรื่อย เมื่อเช้านี้พูดกับใครไม่รู้ภาษาอังกฤษว่า for ever young มันร้องเพลง for ever young เหมือนกับมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นหลังก็ยังร้องกันอยู่นนี่ยตะโกนกันขอให้ขอให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไว้ตลอดไม่มีวันแก่ทั้งๆั้งที่ความจริงมันก็เห็นอยู่ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนแต่มันก็ยังแหกปากร้อง for ever young อย คนร้องคนร้องนี่บางทีอายุแปดสิบจะเข้าลงไม่โปรแอลถึงแม้จะความจริงเป็นยังไงมันไม่ยอมมองเรืความจริงใจนี่แหละมันโแอลว่ายัางตัวใจนี่แหละไม่มีวันแก่ใ <c oughs> จนี่แหละหนุ่มเสมอสาวเสมอ แต่ไม่รู้ไปคิดว่าร่างกายเป็นใจร่างกายนี้มันต้องไม่แก่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หนุ่มไปสมัยไม่สาวไปสมัยมันจะต้องแก่เวลาต้องกลับมากลับมาที่ตัวเราที่แท้จริงคือตัวรู้อยู่กับตัวรู้อย่าไปอยู่ตัวที่ตัวร่างกายเราต้องรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เรารู้ว่าร่างกายต้องจากเราไป รูว่าต้องรู้วิธีปล่อยร่างกายก็ปล่อยอยังไงก็ปล่อยโดยที่ไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันไปถ้าเรารักษามันไม่ได้ช่วยมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตายแต่เราทุกข์เพราะเราไปหลงคิดว่ามันเป็นเรา แต่อยากให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆท่นา น, นั้นเองแก้ความหลงตวนี้แล้วก็จะสบายวิธีแก้เราต้องแก้ดววิธีปฏิบัตินั่งสมาธิแยกร่างกายก็ยปล่อย mm hmm. ก็คือทำใจให้เฉยๆทำใจให้เป็นกลางกั้คอยห้ามความอยากพออยากไม่ตายก็ต้องตัดมันอยากไม่แก่ก็ต้องตัด mm hmm. มันเเป็นทุกข์ เหมือนเอาเอาคอร์นมาทุบศีรษะเนี่ยความทุกข์ใจก็เหมือนเอาความอยากมาความอยากนี่ก็เหมือนคอนที่เรามาทุบศีรษะเราปวดศีรษะแต่เราไม่รู้สาเหตุว่าปวดเพราะอะไรทั้งๆที่เราเป็นคนเอาคอนมาทุบศีรษะเราเองเนีเราทุกข์ใจเราทุกข์นี่ทุกข์เพราะเราเอาคอนมาทุกข์ใจเราเอาความอยากมาทุกข์ใจเราแต่เราไม่รู้ถึงแม้ฟังอย่างนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวไปถึงก็อย่างอีกแล้ ใช่หไหมอยากได้นู่นอยากได้นี่ขึ้นมาแลนะ้วอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเพรใจเราไม่มองใจใจเราไป ม, มองอย่างเองมันก็เลยทําให้เราไม่เห็นว่าเรากําลังทุกข์ใจของเราเองด้วยความอยากของเราเองมันมันเร็วมากอะมันอัตโนมัติเห็นอะไรปั๊บอยากอนะ อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะพอได้ก็ดีใจได้ใจคิดว่า อ, าอยากก็ดีมีความสุขออพอไม่ได้เสียใจเสียใจก็ไม่รู้ว่าเกิดจากความอยากของตนเองเข้าใจนะมพิสัยอย่างนี้เราเป็นมาตั้งแต่เด็กนะแต่เราไม่ไมีใครบอกเราว่ามันไม่ดี อยากอย่ตลอดเด็กเด็กเดีก็ห็เเนเดี๋ยว ก, ก็น อ, นอยากได้ของเล่นเดีวก็อยากน่องอยากนี่มันอยากมาก่อนเกิดมันอยากมาก่อนเกิด oh <my> แล้วก็ชาติก่อนมันก็เป็นแบบนี้แล้วไม่มใช่ชาติาอ่ามันไม่รู้กี่ล้านกี่ร้อยกี่ล้านล้า น, านชาติแล้วมันเปน็นวันเดียวไม่ไหวเนะอองั่นแหละก็เจ<ม>็ด<ม>วันก็ได้นะถ้าขยันจริงๆเอะ่ะไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือน เมืจ็ดเดือนก็เจดปีเราพระเจ้ารับประกันแล้วถ้าทําตามที่พระเจ้าสอนแต่ต้องขยันทําทั้งวันทั้งคืนนะนอกจากเวลาหลับเ น, น, นี่ยนคนที่ก็มาอยู่วันนี้ก็ ข, ขัดเขาทาทั้งวันทั้งคืนเี่ยเขาไม่มีอะไรให้ก็ทําละไม่มีทีวีดูไม่มีอะไรให้วุ่นวายเขามีแต่สติกับปัญญาสองตัวนี้นะทําทั้งวันทั้งคืน ที่ที่ต้อตงว่า เ, าเราต้องต้องได้สมาธิจิตบริเวณขาซะ ก, ก่อนแล้วเราถึงจะมาทำเนี่ยแยกม า, มามาพิจารณาแล้วก็มาแยกส่วนแยกอะไรเนี่ยเราต้องเก่งก่อนใช่ไหมคะอืมต้องตอนนี้ก็แล้วก็รู้ได้ศึกษาได้นะคะคือเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่คิดย้อนสอนไง เหมือนกับเราไปขับรถไปผิดทางเนี่ยถึงแรกเราต้องทําคือเวลาเราจะอยู่เธอเนี่เราต้องทำแบบต้องหยุดรถก่อนใช่ไหะหยุดแล้วค่อยเลี้ยวขวาเลี้ยวกลับไปอีกทางหนึ่งอันนี้ก็เป็นการวางแผนประกอบตอนนี้ใจเรามันไปคิดในทางสร้างความทุกข์คิดตามคิดไปตามทางความอยากนี่เรารู้เรากํลาลังไปผิดทางแล้วเพราะความอยากนําำเราไปสู่ความทุกข์ ขั้ so, ly, เราก็ต้องหยุดความคิดก่อนเพราะความอยากมันมาจากความคิดไงความคิดที่ทําให้เราเกิดความอยากแล้วพอเร า, ราต้องหยุดความคิดให้เป็นก่อนพอหยุดความคิดได้แล้วเราถึงจะบงังคับให้มันคิดไปในทางที่เราไม่อยากเช่นคิดถึงความตายเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรคิดถึงอสุภะเราก็ทําให้เราไม่อยากจะมีแฟนน่ะ คิดถึงอาหารสภาอาอาหารที่มันสกรปรกเนี่ยอย่าไปคิดถึงอาหารที่มันน่ากินเนี่ยคิดถึงอาหารในจานมันก็อยากจะกินเนี่ยอคิดถึงอาหารในซ่วมมันก็ไม่อยากจะกินแล้วมันก็อาหารเหมือนกันเนี่ยเราต้องคิดย้อนสอนย้อนกิเลสก็เรียกทวนกระแสกิเลสมันชอบคิดถึงของสวยๆางามๆเราต้องไปคิด มองของที่มันไม่สวยไม่งามมันถึงจะหยุดความอยากได้กิเลสมันชอบมองของถาวรเราต้องมองของมันไม่ถาวรของมันของชั่วคราวท่านั้นแต่เราไม่ชอะคิดว่ามันเป็นของถาวรได้มาแล้วจะแฮปปี้ฟอร์เอเวอร์ได้อะไรมาจะมีความสุขไปตลอดแต่มันเดียวเดียวมั่งข้ามันยังไม่ทันดำเลยก็ตีกันละ ทะเลาะกันละไม่เห็นตรงนั้นมันชอบหลอกตัวเองหล่าว่าสิ่งที่ได้มาจะให้ความสุขเราไปตลอดแล้วพอมีความทุกข์ก็ไม่จำเดี๋ยวอย่าคนนี้เลิกคนนี้เดี๋ยวก็ไปหาคนใหม่เคยว่าคนคนใหม่จะดีกว่าคนเก่ามันก็เหมือนกันเองแหละให้ทางบ้านดีบ้างนะ พอาจารย์ครับมีข่าวอันเป็นมงคลต่อผู้ชมทางบ้านครับเป็นปรุงไม่ตัดชั่วโมงคึ่งครับขอให้ไม่ตัดต่อมุองมิตรก็เวลาตัดเราก็ต่อได้ครับแต่ว่าไม่ตัดหรือหรือเขาจะอัปเกรดให้ขึ้นมาแล้วครับไม่แน่ครับอาจารย์เร่องนี้ก็ชั่วโมงครึ่งกว่าๆนะใชยังไม่ได้ตัดเลยเลยยังไม่ได้ตัดอันนี้ผู้ชมเท่าไหร่นะสองรอยหกสิบเอ็ดครับสองร้ยสิบเน youtube ก็ห้าสิบหกสิบประมาณนี้ครับเดี๋ยวนี้จะ ถามคำถามจากทาง youtube อนนะครับนน ม, ม, มีมีถามมาหนึ่งท่านนะครับครับคําถามจากทาง youtube ไลฟ์นะครับจากคุณสลาวุฒนะครับนนข้อที่หนึ่งจะมีอุบายอะไรที่ทําให้เราคลายทุกข์ร้อนใจที่เกิดจากการทําชั่วในอดีตซึ่งในขณะนี้มีความกังวลความกลัววิบากชั่วจิตใจเราร้อนมากมากครับก็ต้องยอมรับว่าการทำบาปนี่มันมี มันลบล้างไม่ได้ทำแล้วมันก็ต้องมีผลตามมาช้าหรือเร็ว mm hmm. ก็ให้ดูองคุลิมาเป็นตัวอย่างก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะทำบาปมามากแต่ถ้าเรารีบทำความดีในขณะนี้วิบากของการทำบาปมันก็อาจจะตามมาไม่ทันก็ได้ะฉะนั้นตอนนี้เราเปลี่ยนการรับวิบากกรรมก็เหมือนกับการตกมาจากที่สูงตกมาจากตึกสูงสูงเนี่ย เราจะตกลงมาแบบเจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้วิธีตกมาแบบไม่เจ็บก็คือเราไปหาเบาะมาลองไว้ก่อนถ้ามีเบาะหนาๆตกลงมาจากที่สูงมันก็จะไม่เจ็บถ้าเราเคยทําวิบากมามากๆตอนนี้เรารีบสร้างบุญกันเยอะๆคือเราเราหยุดบะวิบากของบาปไม่ได้แต่เราสร้างเบาะคือบุญเนี่ยมาลองรับกับวิบากได้ถ้าใจเรามีบุญมากในใจเราจะไม่เดือดร้อนกับ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอั้นตอนนี้ให้รีบทําบุญให้มากบุญก็มีสามระดับบุญที่เกิดจากการทาทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนามันมากต่างกันไปแต่มันก็ต้องอยู่อยู่ที่ความสามารถของเราไม่ใช่บอกว่าบุญที่ได้จากภาวนามากก็จะไปเอาภาวนาแล้วภาวนานั่งนั่งแป๊บเดียวก็ลุกละนั่งไม่ได้ก็ ถ้าภาวนาไม่ได้ก็รักษาศีลได้หรือไม่ถ้ารักษาศีลได้คงไม่ไปทำบาปก็คุณจะรักษาศีลไม่ได้ก็มีบุญที่เกิดจากการทำทานการเสียสละทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอันนี้ก็ต้องทำในสิ่งที่เราทำได้ก่อนไม่ใช่ว่าสิ่งไหนได้บุญมากก็จะเอาสิ่งนั้นจะไปทำสิ่งนั้นถ้าทถ้าเราไม่มีกําลังเราก็ทาไม่ได้เช่นทำทานนี้เหมือนกับยกน้าหนัก10กิโล ทังษาศีลเหมือนยกน้ำหนักห้าสิบกิโลภาวณนานีเหมือนยกน้าหนักร้อยกิโลเราจะมีกำลังไปเอาบุญเยอะๆไหมยกยกร้อยกิโลได้เปล่าถ้ายกร้อยไม่ได้ก็ตองยกห้าสิบดูก่อนถ้ายกห้าสิบไม่ได้ก็ต้องมายกสิบกิโลไปก่อนเห้นถึงแม้ว่าบุญแต่ละระดับมีมากน้อยต่างกันมันก็อยู่ที่กำลังของเราด้วยว่าเราจะทําได้มากน้อยขนาดไหน ไมเดี๋ยวเราจะท้อยพอมานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ก็ท้อยรักษาศีลก็รักไม่ได้ก็ท้อยก็ช่วยไม่ได้แล้วมึงจะทำยังไงก็แสดงว่าเรามีวิบากกรรมเยอะคําถามข้อต่อไปจากท่านเดิมนะครับ <c oughs> ผมมี <c oughs> <c oughs> ผมมีความปรารถนาที่จะอุปสมบทในอนาคตและตั้งใจจะบวชยาว พระอาจารย์พอจะมีวิธีทาให้ความตั้งใจนี้ยังตั้งมั่นต่อาการอุปสมบทไหมครับก็ลองบวชใจไปก่อนสิเราต้องทดสอบก่อนว่าเราจะบวชได้ไหมคือถือศีลแปดไปก่อนได้หือเปล่าถ้าถือศีลแปดได้แล้วนั่งภาวนาได้หรือเปล่าอย่างเราก่อนจะบวชล้วก็ปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครตัดหมดแต่ยังไม่ได้บวช รือศีลแปลดกินอาหารรับประทานอาหารมือเดียวไม่ทำอะไรนอกจากเดินจากรมนั่งสมาธิกับอ่านหนังสือธรรมะลองทำอย่างนี้ไปก่อนถ้าทำได้ก็บวชได้ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวมันก็สึกอีกดีหรือจะบวชแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปปฏิบัติเดี๋ยวไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เดี๋ยวก็ไปไปทำภาพปา่าทำอะไร ว, วุ่นวายไปหมดเลย อย่างที่เห็นกันทุกวันนี้บวชนมาแล้วมาทำอะไรก็มาชวน ญ, ญาติโยมทำสร้างนุ่นสร้างนี่กันพอดปาํปาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆร้อยแปดแต่ไม่มีการปฏิบัติจริงๆกันสักทีแล้วเดี๋ยวพอเบื่อก็เสจกัน แล้ ว, ลวมีคำถามเดียวเลย YouTube มีมีท่านเดียวครับ <c oughs> เดี๋ยว อ, อนาคตเดี๋ยวก็มาครับอาจะรไรเริ่มต้นหมนแรกคำถามจาก Facebook Live จากคุณอยู่กับปัจจุบนันตอนนี้มีหน้าที่ต้องดูแลบุตรที่ยังเล็กไม่ได้ไปปฏิบัติที่วัดอยากสอบถามว่าเราสามารถทำที่บ้านให้เป็นวัดโดยที่ให้ได้ผลเท่ากันหรือใกล้เคียงไหมได้ไหมคะก็อยู่ที่เราเหมือนอยู่ที่เรา ถ้าเราสามารถควบคุมใจเราไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นได้เราก็เหมือนอยู่ที่วัดคำถามจากคุณอุ้งคณาการแก้ปัญหาภวังหลับจะมีพับมีพับบางรูปแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้วิธีเดินจงกรมแทนโดยให้เดินต่อเนื่อง6ชั่วโมงไม่ให้ออกจากทางจงกรมเลยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ลองดูสิลองดู เราไม่เคยลองวิธีนี้เราก็เลยใช้อวนอาหารเํี่ยถามจากคุณกันประภาการเล่นหวยและการเล่นหุ้นไม่ไม่ถือว่าผิดศีลแต่เป็นกิเลสทางด้านโลภะอย่างหนึ่งใช่ไหมคะมีนัยยะต่างกันหรือไม่หลายคนหวังถูกหวยแล้วนำเงินที่ได้จากการเล่นหวยไปทําบุญถือเป็นเงินที่บริสุทธิ์หรือไม่อย่างไรคะ มันก็ไม่ได้ไปทำลักขโมยมันก็ไม่ถือว่าผิดศีลแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ามันเป็นอบายามุก ค, คือเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เราไปทำบาปต่อไปได้เช่นถ้าเราเล่นแล้วเราแพ้เราก็อาจจะไปยืมเงินคนอื่นมาเล่นแล้วพอแพ้อีกก็ไม่มีเงินไปจ่ายเขาก็หนีเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าไปลักทรัพย์เขาก็จะเป็นการทำบาปต่อไป อย่าไปเกี่ยวข้องกับอาบายามุกดีกว่าให้หัดใช้เงินทางตามกําลังที่เรามีอยู่มีน้อยก็ใช้น้อยไม่จาเป็นองมีกันไม่ต้องใช้เงินเพื่อซื้อความสุขเรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่ามาสวดมนต์ก็ได้ถ้ายัางนั่งสมาธิไม่เป็นก็สวดมนไปนั่ง น, นั่งหลับตาแล้วก็สวดไปภายในใจแทนที่จะดูลม แทนที่จะพุโทโธก็สวดมนต์นไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงนั่งหลับตานั่งขัดสมาธิในท่าสมาธิเนี่ยแล้วก็สวดมนต์นไปก็เป็นการนั่งสมาธิไปแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่มีกำลังพอที่จะดูลมหรือที่จะพุโทโธแต่เรามีกำลังสวดเราก็สวดของเราไปเรื่อยๆสวดไปสักพักใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะนิ่งแล้วมันก็จะหยุดสวด เราก็จะดูลงต่อก็ได้หรือไม่ต้องดูก็ได้ถ้ามันนิ่งเฉยเฉยก็ปล่อยมันนิ่งเฉยเฉยไปก็ได้ะวิธีนั่งสมาธิี่ง่ายถ้าส่วนมนต์ได้นี่นั่งได้ถ้าส่วนมนต์นน ไ, นมนไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เป็นไม่จะยากเลยอาลังสัมมาพุทธังสาวนังกชามิธรรมังสาวนังกชามิก็สวดมันไปสวดมันสักร้อยจบพันจบก็ได้เอาสั้น พุทธังทมังสังขังสัมเนธัจฉามิพุทธังทำังสังขังสนกัจฉามิไปถ้าจะอยากให้มันบทยาวหน่อยก็สวดออตีปิโสไปสวดไปก็ได้หรือจะเอาเอาทั้งหมดเลยทำวัดนอกจากนั้นก็สัพเเอสัตตาอเวลาโหนตุอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละสวดไปเนี่ยสวดมันไปเรื่อย นั่งหลับตาไม่ต้องออกเสียงจะได้ไม่เหนื่อยนั่งขัดสมาดเนี้ยแล้วก็หลับตาแล้วก็ท่องไปภายในใจอันนี้เท่ากับเป็นการนั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิโดยการใช้การสวดมนต์เป็นตัวกล่อมใจพอสวดไปแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วหยุดอยากจะหยุดก็ทีนี้ก็ดูลมได้แล้วคือมันเหนื่อยก็แสดงว่ามันหยุดคิดและมันไม่อยากจะคิดแล้วถ้าเราไม่สวดมันจะคิด ถ้าเราพูดทูลคำเดียวมันจะคิดเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้แต่พอเรามาสวดนี่มันก็จะคิดไม่ได้เพราะเราจะต้องอยู่กับบทสวดแล้ว น, น, นึกถึงบทสวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบคําถามจากคุณจุม๋มอยากจะหาวิธีดับกิเลสแบบง่ายให้ทันจิตเวลาที่ลูกอยากซื้อของฟุ่มเฟือยพอจะมีวิธีบ้างหรือเปล่าคะมีง่ายจะตายไปซื้อมาเลยซแล้วก็ไปทําบุญเลย เอาไปให้เพื่อนให้ใครก็ได้อย่างน้อยก็ได้ซื้อรถไม่ใช่เหรอ <c oughs> อยากจะซื้อรถจะซื้อเลยซื้อแล้วไปเบยจากให้โรงเรียนโรงพยาบาลไปเลยต่อไปมันจะเข็ดมันจะไม่กล้าซื้อ <c oughs> ซื้อแล้วอยากเก็บไว้เป็นของตัวเราเองซื้อแล้วก็ยกไปให้คนอื่นแล้วต่อไปมันจะไม่อยากจะซื้ออะไร อยากจะเที่ยวเหลอซื้อทัวร์ไปเลยไปรอบโลกเลยแล้วก็แจกไปเลยเให้คนงานในบริษัทคนไหนทำงานดีเด่นเอาไปเลยเราจะได้ไม่เหนือ่อยอยู่บ้านสบายกว่าไปเที่ยวรอบโลกมันสนุกตรงไหนมันเหนื่อยจะตายไปต้องไปทำวีซ้อมวีซ่าอะไรกี่ประเทศก็ไม่รู้ต้องไปจองโรงแรมไม่รู้กี่ที่เหนื่อยเราเคยไปเที่ยวมาแล้วเที่ยวคนเดียวก็เแล้วอย คำถามจากคุณจิ๊บจำเป็นไหมคะต้องสวดมนต์ก่อนทุกครั้งแล้วถึงค่อยนั่งสมาธิก็แล้วแต่เราไงเราอยากจะสวดก็ถ้าใจเราไม่นิ่งเราถ้านั่งสมาธิแล้วมันไม่ยอมอยู่กับลมไม่ยอมอยู่กับพุโทโธก็ใช้วิธีสวดมนต์อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยแต่ไม่ต้องนั่งพนมมือเ ล, ลึงตาไม่ต้องกราบเกิ้อะไรหรอกนั่งคัดสมาดหลับตาแล้วก็ใช้การสวดมนต์เป็นวิธีปลอมใจไปก่อน คำ ถ, ถามจากคุณสุนันตาทุกครั้งที่นั่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิจำเป็นต้องเดินจงกรมร่วมด้วยทุกครั้งเสมอไปไหมคะก็แล้วแต่เราไงถ้าเราอยากจะเดินก็เดินไม่เดินไม่อยากเดินก็ไม่ต้องเดินที่เขาเดินกันในส่วนใหญ่เ็เป็นพวกปฏิบัติมืออาชีพเขาทำทั้งวันทั้งคืนพอ เ, เขานั่งเมื่อยเขาก็ลุกขึ้นมาเดินพอเดินหายเมื่อยเขากลับไปนั่งใหม่ก็จะมีสองท่านี้เป็นท่าปฏิบัติเป็นหลัก คำถามจากคุณวิลาวันเวลาทำสมาธิไปสักพักแล้วจะรู้สึกวูบแล้วจิตก็รู้สึกว่ามันว่างทำไปอีกสักพักก็เป็นอีกอาการแบบนี้คืออะไรเจ้าคะไม่รู้ว่าวูบว่างนี่มันเป็นวูบแบบหลับหรือวูบแบบตื่นก็ไม่รู้ไม่ได้บอกวูบแล้วรู้สึกตัวหรือเปล่ายังรู้สึกเหมือนกับเรานั่งคุยกันอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเรายังมีความรู้สึกตัวเหมือนที่เรานั่งคุยกันอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นสมาธิ เจ็ดรูปลงไปแล้วนิ่งสงบเรารู้ตลอดเวลาเหมือนเราคุยกันแล้วเราเราหยุดคุยกันเนี่ยเราก็รู้ว่าเราหยุดคุยกันนะไม่ใช่แบบว่าทุกอย่างนิ่งไปหมดไม่รู้หมดไม่รู้อะไรแต่นนั้นก็แบบหลับไปเนี่มันก็มีวูปอยู่สองแบบวูปแบบหลับกับวูปแบบไม่หลับถ้ารู้สึกตัวตลอดเวลาก็เป็นสมาธิไปคาถามจากคุณสุกิตา ขณะที่โยมนั่งสมาธิฟังธรรมไปเรื่อยจิตไม่ได้จับที่เสียงแต่ขณะนั้นรู้สึกตัวเบาไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองนั่งอยู่และจิตเห็นแสงสีขาววงกลมบริเวณกางท้องมันนิ่งๆเกิดจากสภาวะใดคะแล้วจะพิจารณาอย่างไรต่อคะมันนิ่งๆก็ให้มันอยู่กับความนิ่งแต่อย่าไปสนใจที่ที่ที่แสงฮะ ให้รู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปสนใจให้ให้มันรักษาความนิ่งไว้เพียงอย่างเดียวถ้ามันเริ่มปรุงแต่งเ ร, เริ่มไปอะไรตามแสงก็อย่าตามไปให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ํำถามจากคุณอุ้งคณาขณะเดินจงกมแล้วรู้สึกว่าตัวเองเตี้ยลงเรื่อยๆเหมือนจะชี้บนพื้น พื้นที่เดินเป็นอะไรหรือเปล่าคะแล้วจะต้องแก้ไขไหม่คะ อ, อ๋อมันเป็นความคิดปรุงแต่งของจิตเนี่ถ้าเป็นจริงก็ดีเดินไปแล้วให้มันพร้อมลงพร้อมลงไปเรื่อยๆคำถามจากคุณจีรศักดิ์กับผมนั่งสมาธิถ้าภาวนาพุทโธจิตไม่ค่อยสงบแต่ถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงในเรื่องที่จิตคิดปรุงแต่งขึ้นมา แล้วรู้สึกว่าจิตจะสงบลงได้เร็วกว่าถ้ากับผมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจะถือได้ว่าดำเนินมาถูกทางไหมครับถ้าทำให้จิตสงบก็ถูกทางคำถามจากคุณพินแคนไปฟังธรรมะพระอาจารย์บนเข่าติดต่อกันหลายวันใจปลื้มปิดติใจยิ้มได้วันนี้มองคนไข้ทั้งทั้งยืนเดินนอนเปมามองเห็นเป็นอสุภะ คิดมองย้อนตัวเองว่าสักวันเราต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนแต่พอนึกถึงใบหน้าและแววตาพรออาจารย์ที่มองมาด้วยความเมตตาใจและตาของตัวเองก็ยิ้มแบบเขาล่ามค่ะคำถามจากคุณสิริพรขณะที่พิจารณาเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกหรือพิจารณาข้อธรรมใดๆก็ตามควรต้องหยุดบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจไหมคะ เวลาพิจารณาก็ไม่ต้องสนใจเรื่องลมเรื่องพุทโธละให้สนใจอยู่กับเรื่องที่เราพทที่เราพิจารณาเพียงอย่างเดียวพิจารณาเพื่อให้เราเห็นชัดเพื่อให้เราจำได้เพราะว่านี่เป็นเพียงการทำการบ้านเวลาเราออกไปพบปะคนนี่เราควรจะมองให้เห็นโครงกระดูกของเขาโดยเฉพาะคนที่เราลหลาางไหลคลั่งไครเช่นเห็นดาราภาพยนต์ห<ม>เห็นเห<ม>็นว่<ม>ากาลั ง, ลงหลงไหลคลั่งคล้กับโครงกระดูกน่ะ จะได้ไม่ลหลงไหลคลั่งไคล์ต่อไปเนี่ยคนทุ่มเทเสียเสียเงิงนเป็นล้านเ พ, พราะไปหลงไกด์โครงกระดูกเนี้ยเพียงแต่มองไม่เห็นโครงกระดูกมันมีผมขนเล็บฟันหนังคุ้ม่ออยู่ใช่ไหมมันก็ไปลหลงไหลกับไอ้ผมขนเล็บฟันหนังนี่ทุ่มเงินเป็นล้านกันซื้อเด็กคนนั้นซื้อเด็กคนนี้เพราะไม่เห็นโครงกระดูกที่เรามาพิจารณาโครงกระดูกเพื่อต่อไปเวลาเราไปหลงรักใครจะได้คิดว่าเรากําลังรักโครงกระดูกเขาเนี่ย มันจะได้เลิกหลงรักกันจะได้ไม่หึงไม่หวงไปหวงโครงกระดูกทำไม <laughs> เห็นไหมนะเพียงแต่ไม่ผมขนเล็บปันหนังหุ้มห่อไว้หน่อยก็เลยกลายเป็นของดีไปที่แท้มันก็โครงกระดูกดีนีนี่เอง <laughs> เยิบยัยักออหนึ่มากกว่านั้นก็ดูตับไตไส้พุงด้วยก็ได้หัวใจปอดนี่มีอยู่เต็มไปหมดในร่างกาย <laughs> <laughs> มองไม่เห็นกันเลย ถ้ามาพิจารณาเพื่อจะได้เปิดตาในเปิดตาเอ็กซาเย์ก็ใช่ไหมต่อไปจะเป็นซูเปอร์แมนเพราะว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์นี่ยังมีมีมีเงาอยู่ยังมีส่วนที่มองไม่เห็นแต่ส่วนแสงสว่างแห่งปัญญานี่มันเห็นหมดเลยไม่มีอะไรมาปิดบงังแสงสว่างของปัญญาได้ เราพิจารณาร่างกายบ่อยๆให็นอาการ32บ่อยๆไอๆ้นี่ความแก่ความเจ็บความตายบ่อยๆนี่เราจะเห็นร่างกายในอีกมิติหนึ่งไลยเห็นไหมไม่เห็นมิติแก่ไม่เห็นมิติเจ็บไม่เห็นมิติที่ไม่สวยไม่งาม <S <S เราเห็นด้านเดียว <S 2> <S 2> มีหลายด้านที่เรามองไม่เห็นเราต้องมองให้มันครบถ้วนแล้วเราจะได้ไม่หลงไหลยลั่งคล้ายกับร่างกายอันนี้อ่า ทำความจากคุณซินีเคยทําแบบพระอาจารย์ว่าอยากได้แล้วซื้อแล้วเอาไปให้คนอื่นแต่ยิ่งให้ยิ่งมีความสุขเลยซื้อแจกไปเรื่อยๆถือว่าติดบุญไหมคะไม่ติดหรอก้ า, าดัารย์ยังมีความอยากจะซื้ออยู่ซื้อไปได้เลย <c oughs> ซื้อไปยังกว่าไม่อยากจะซื้อนะ <c oughs> แต่ถ้าเงินหมดแล้วก็อย่าไปหาเงินมาซื้อเลนะ <c oughs> พอแนละ้วถ้าเงินหมดแล้วก็พอ คำถามจากคุณสุมาวดีถ้าจิตรวมเข้าสู่ความสงบสามารถอยู่กับความว่างได้ต่อเนื่องเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแต่บางขณะจะปรากฏความสว่างขึ้นเป็นบริเวณเล็กๆแล้วก็ดับไปและบางขณะรับรู้ลมได้เบาๆแล้วก็หายไปจากนั้นก็สามารถอยู่กับความว่างความสงบต่อไปได้อีกลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิแลหรือยังคะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามันอัปปนาจริงๆมันจะไม่มีอะไรให้เห็นเลยนอกจากความว่างอย่างเดียวเบิกขาอย่างเดียวที่เราต้องการสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อต่อไปเราจะได้อยู่กับความว่างได้อยู่คนเดียวได้ไม่มีเงินทองก็อยู่ได้ไม่มีญาติพี่น้องก็อยู่ได้ไม่มีเพื่อนก็อยู่ได้ไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ถ้าเราทำนี่ให้ได้มากขึ้นมากขึ้น สมาธิมีมากเท่าไหร่ต่อไปมันก็จะอยู่คนเดียวอยู่กับความว่างได้นานขึ้นไปเรื่อยๆความเหงาความว่าเหวจะไม่มีแต่ถ้าเกิดความเหงาความว่าเหวขึ้นมาแสดงว่าความว่างนี้หมดไปละอุเบกขาหมดกำลังแล้วเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเรื่อยๆให้มันต่อเนื่องกันจะได้ไม่มีช่องที่มีความรู้สึกว่าเหวเกิดขึ้นอันนี้คือการทาสมาธิทาให้มันต่อเนื่องยาวไปเลย อาจจะทําเป็นสั้นๆก็ได้แต่สั้นๆมันก็ต้องต่อมันมันมันหลายต่อแล้วเกินให้มันยาวๆหน่อยจะได้มีก่อต่อน้อยหน่อยนาออให้มันนานมันจะนานไม่นานก็อยู่ที่สติของเราเนี่ยแล้วมันว่างแบบว่างแบบเงียบไม่มีลมไม่มีวกแวกมันเงียบเออมันไม่มันคือให้มันว่างแล้วมันมีความสุขกับการอยู่กับความว่างเท่นั้นอ่ะไม่ไม่หิวไม่อยากกับอะไรเฉยๆถ้าหิวก็อยากปั๊บก็แสดงว่าหายว่างแล พออยากกาแฟปั๊มนี้แสดงว่าความว่างหายไปแล้วความอยากโผล่ขึ้นมาแล้ก็มีสองวิธีกลับไปหาความว่างพุทโธต่อหรือใช้ปัญญาบอกว่าอย่าทําตามความอยากอยากอันนี้เดี๋ยวต้องอยากไปเรื่อยๆกินถ้วยนี้แล้วก็ต้องมีถ้วยต่อไปถ้าหยุดกินถ้วยนี้แล้วมันก็หมดปัญหาไปต่อไปก็จะไม่กินอีกแล้วจะเอาอย่างไรดีจะเอาถ้วยเดียวกินแล้วอิ่มหรืว่าจะเอาอีกหลายหลายถ้วยถ้าอีกหลายถ้วยต้องกินไปเรื่อยๆ อาจจไม่กินอีกไม่ต้องกินหลายถ้วยก็ถ้วยนี้ก็ไม่กินละถ้วยเออย่าบอกว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยสุดท้ายนะมันไม่สุดท้ายนะเพราะถ้วยนี้เดี๋ยวมันก็ต่อได้ถ้วยสุดท้ายแล้วมันถ้วยที่ที่แล้วถ้วยที่กินไปแล้วถ้วยที่จะกินถ้วยที่จกินนี่ไม่ใช่ถ้วยสุดท้ายเดี๋ยวมันจะหลอกเราแล้วเอขอถ้วยสุดท้ายเดี๋ยวพออยากขึ้นมาก็มีถ้วยสุดท้ายอีก ครับคำถามจะทำ u t u b e ไลฟ์นะครับจากคุณเพชรนะครับหนูมองเห็นแม่ของหนูมีความอยากได้ของคนอื่นหน <c oughs> ูจะทำอย่างไรให้ท่านเลิกรักความอยากได้ของคนอื่นคะจะมีคนอุบายใดช่วยให้ท่านเลิกทำแบบนี้ก็ให้แม่คิดถึงว่าถ้าเกิดคนอื่นก้ามาของเราของแม่ไปบ้างแม่จะคิดยังไง <c oughs> แม่อยากใช้คนอื่นก้าอของแม่ไปไหม <c oughs> แต่เราไปสอนแม่ไม่ได้นะเดี๋ยว ตีกันนะเราเป็นลูกนี่บางทีต้องทำใจถ้าถ้าแม่ไม่ถามไม่ไปสอนนะเพราะมันไม่ใช่ฐานะของเราอาจจะอาจจะทำให้แม่เสียใจอาจจะทำให้เราเหมือนกับว่าเราไปตีตนเสมอท่านเลื่อสูงกว่าท่านไปสั่งสอนท่านดังั้นบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นวิบากของแม่เขาไปนอกจากเรามีวิธีแป้งเขียนอะไรไว้ กระดาษทิ้ไว้ตรงไหนเราเกิดแม่ไปหยิบอ่านขึ้นมาอย่างนี้เราไม่ได้สอนแม่เห็นกระดาษจะเปิดดูอะไรวะเนี่ยการเอาของคนอื่นก็เหมือนเอาขอ ง, ของเรานาะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเขาอามาเอาของของเราเราจะคิดอย่างไร <c oughs> อ่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เรียกว่าใช้กุศโลบายอถ้าจะสอนผู้ใหญ่ต้องใช้กุศโลบายไป <c oughs> สอนตรงๆไม่ได้ ถาจากคุณ CJ ที่ว่าสมาที่ว่าสติดีมากนั่งได้นานถึงชาน8นั่งได้ถึงเจวันแล้วเราจําเป็นต้องนั่งได้ถึงชาญ8เลยไหมคะถึงจะเรียกว่าถึงขั้นหรือแค่พอให้สงบแค่อัปปนากรมาธิก็พอทีอ่พระพุทธเจาสแสดงไว้ก็ขั้นอัปปนาก็คือแค่ชาญสี่ก็พอให้ได้ให้ใจเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อันนี้ก็จะเป็น ฐานของใจไว้สำหรับต่อสู้กับความอยากได้ถ้าใจมีอุเบคาแล้วใจก็จะไม่อยากแล้วก็จะใช้ปัญญาสอนใจให้ให้ฝืนความอยากได้คำถามจะคุณพันรักษานะครับบุคคลที่รักษาศี่ห้าอย่างเคร่งครัดแต่ประพฤติกรรมยังทำผิดกฎหมายหรือผิดกฎ ร, ระเบียบสังคมอยู่เช่นขับรถฝ่าไฟแดงทิ้งขยะตามท้องถนนทาผิดเล็กผิดน้อย เพราะเขาอ้างว่าศีห้าไม่ได้ระบุไว้ว่าห้ามทําการกระทําเช่นนี้เป็นการถือศีลที่เรียกว่ารูปคําศีนอยู่หรือไม่เจ้าคะเพราะหากคนที่ถือศีห้าบริสุทธิ์จริงเขาจะไม่ทําฝ่าฝืนกฎระเบียบบ้านเมืองเลยแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามก็กฎระเบียบว่ามันก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนศีนเขาสีนส่วนหยาบไปก็ได้เออ คือศีลหลักกับศีลรองดีกว่าพวกี้กฎ ร, ระเบียบเช่นอยู่ในบ้านแม่ห้ามไม่ให้กินอาหารบนเตรียงอย่างเงี้ยมันก็เป็นกฎ ร, ระเบียบที่ดีใช่หไหมถ้าเราไปทำก็มันไม่ถึงแม้จะไม่ผิดศีลหลักแต่มันก็มันสอให้บอกว่ามีนิสัยไม่ดีไม่เคารพกฎที่ดีกฎกติกาที่ดีนี่ก็มีไว้เพื่อให้เราอยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่าง สะอาดอยู่กันอย่างสบายทำไมงัเราจะอยู่แบบสุนักกันใช่ไหมเ mm hmm. ออคิดอย่างนี้คือกฎระเบียบต่างๆนี้เพื่อให้เราอยู่กัน mm hmm. ด้วยความนุ่มเย็นเป็นสุขถ้าเราที่เขามีกฎระเบียบก็เพราะว่ามันมีปัญหาธรรมดาถ้าไม่มีปัญหาเขาไม่มีกฎระเบียบ่เมื่อก่อนเมรมีไฟเขียวไฟแดงเพราะถมันไม่มากใช่ไหมทำไมแรกๆรถมันไม่กี่คันสี่แยกมาถึงก็รอกันได้อ่ะคันนี้ไปก่อนคันนี้มาก่อน ก็ไ ม, ม่ต้องมีกฎต้องคอรบไฟเขียวไฟแดงที่รถมันมากขึ้นมากขึ้นมันแย่งกันจะไปกันนี้เดี๋ยวมันก็ชนกันหรือมันก็ไปขวางทางมันไปไหนไม่ได้ก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมากฎระเบียบต่างๆเขาก็มีไว้เพื่อให้สังคมอยู่กันอย่างไม่มีปัญหานั่นเองนั่นก็จะเรียกว่าไม่ผิดสินห้ามันก็ไม่ผิดเพราะสินห้าเขาก็าไม่ได้ จะลึกลงไปถึงรายละเอียดต่างๆสี่ห้ า, า, า, า, านี้เอาตัวที่เป็นปัญหาหลักๆตัวที่เป็นปัญหาหนักทำแล้วเกิดโทษหนักเกิดความเสียหายมากส่วนไอ้กฎระเบียบนี้เป็นอาจจะเป็นความเสียหายน้อยแต่ก็มันก็เป็นความเสียหายมันก็เป็นการไม่ดีมันก็สอ บ, บอกว่ายัางนิสัยไม่ดีพอ คนที่มีศีลห้านี่น่าจะรักษาศีลอยได้หมดแล้วใช่ไหมเวลาสุดท้ายคือำถามสุดท้ายนะคะจากคุณเสริมศักดิ์จะทำยังไงกับเจ้ากรรมในเวรที่มีชีวิตอยู่ทั้งที่เราไม่ยุ่งและยังจะพูดแขะอีกก็ต้องทำใจถือว่าเป็นวิบากของเราเราไปทำเขาแล้วเขาก็ต้องกลับมาทำเราถ้าเราไม่ไปตอบโต้เดียวเขาก็เลอกลาไปเอง พอ เ, เขาได้พูดได้ทำอะไรตามที่เขาต้องการแล้วเดี๋ยวเ้าก็เบื่อเองถ้าเราไม่มีปฏิกิริยาไปตอบโต้ <Okay. S 1> ตเขาเขาก็เขาก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมพูดแล้วก็เหมือนไม่มีผลอะไรยงั้นก็ปล่อยเขาพูดไปหมดแล้วนะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <Okay. S 1> ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่ง <Okay. S 1> ที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิ์พิจารณา